เริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบ ก, กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาส น, นทนาธรรมถามตอบคำถามที่ใครต้องการจะถามก็เชิญเข้ามาถามได้วันนี้เราก็จะไปที่ จะแม่ก็แจที่ก่อนเลยจะแมแ่แจ็ทที่กร<า>รมนัสการ<า>์พระอาจารย<า>์<า>ครับอืมวันนี้ไม่มีคำถามครับแอ่ายังมีการบ้านมาสมไหยมีคครับถามว่าม า, มาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เปน็นธรรมด จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้และเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะเล่าเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพักภาพจากของรักของกระเริ่งใจธรมะอันควรเรามีกรรมเป็นของของตนเป็นเป็กจรามีกรรมเป็นผู้ให้ผล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 เราทั้งหลายควรพิจารณกอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกราวีอาการสาดสองผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าแกนสมองสีสับ น้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำน้ำมันคนน้ำตาน้ำเบลเลวน้ำลายน้ำพูดน้ำไข่ข้อน้ำมูกน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูกนลายน้ำเบเลวน้ำตาข้นน้ำแข็งน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำขีด เยื่อในสมองชีสสอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตผังผืดตับหัวใจมาเยื่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมเออทั้งหมดนี้อยู่ที่ไหนอยู่ในร่างกายครับนันะรากายของใครของธรรมชาติครับอั่ของอยู่บ่า ไม่ใช่ใช่ครับของธรรมชาติเนี่ยแล้วนู้นู้มีไว evet> ้ทําอะไรเงี้ยของธรรมชาติแล้วคืนธรรมชาติได้ไหมยอมคืนธรรมชาติหรือวถ้าธรรมชาติก็ขอคืนครับครับไม่ใช่ของเราใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับถ้าเขายาวไปอ่ะห้ามเขาไหมนึกไม่ห้าม ไม่ถามครับม่ถายินดีนะครับ อ, อันนี้นั่งสมาธิทุกคืนใช่ไหมนั่งทุกคืนครับอนั่งได้แล้วเหรอครับนั่งได้นะครับนั่งได้นานาเท่าไหร่ยี่สิบนาทีค่ะยี่สิบนอคิดจะเพิ่มเป็นสามสิบไหเกำคิดอยู่บ้างครับ ก็ลองเพิ่มทีละนาทีก็ได้ยี่สิบเป็นยี่สิบแปดยี่สิบปเป็นยี่สิบสองช่องที่ที่นที่ถึงยี่สิบจะต่องก็ทองพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธต่อไปครับครับอย่านั่งเฉยๆนะต้องทองพุโทโธแล้วนั่งรมหายใจเข้าออกังเฉยแล้วเดี๋ยวมันก็จะมงมันจะหลับหรือมันจะคิดโสน้าง ครับครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับพี่เวนี้นะครับโอเคยนเดียวไปที่ญี่ปุ่นไปกลาบขอบคุณพระอาจารย์นักคุณมาวางนักคุณวันี้กลาวค่ะพระอาจารย์นคุณขึ้นมากลับพระอาจารย์ด่นขึ้นมา อ่ะไม่กัดก็ไม่เป็นไรวันนี้ไม่กัดร้อนนีหนูบอกว่วันนี้ไม่กัดวันนี้ไม่มีอะไรเลยนะคุณไม่มีอะไรจะถามเลยมีอะไรครับอ่ะหนูก็บอกเองสิค่ะถ้าจันถามหนูบอกว่าอะคะมีอะไรครับมีอะไรจะถามไหมอ๋อหนูบอกว่าพัาจย์ที่หนูบอกว่าวันนี้หนูจะบอกพัาจันว่าหนูไหว้พระทุกวันไม่ใช่หรอไหว้พระทุกวันค่ะ ว่ายเมื่อไหร ว, วตต้ตอนไหนว่ายตอนเช้าต อ, า น, า น, อนเช้าเลยตอนไหนตอนเช้านั้นหนูท่องท่องบทสวดมนต์เฉยๆถ้าไหวยพัหนูว้ายตอนั้นอือไหวยตอนไหวยตอนนี้ว่ายตอนก่อนนอนค่ะเขาเรียกว่าก่อน <c oughs> อืม เราเช้าก็ไหว้ได้นะตื่นเช้าขึ้นมาก็ไหว้พระก่อนได้ไหมได้มได้ไหมคะอ๋ออเคยังโอเคค่ะยังพอใจวันนี้ติดเล่นอยู่ค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นไรภาษาเด็กก็อย่างนี้เราเป็นผู้ใหญ่จะทําเป็นแบบเด็กก็แล้วกันทํถ้าอยากจะทําก็ทําไม่อยากจะทําก็ไม่ทำให้เด็กเป็นเด็ก พูดถูก<ด><ด>ช่วงนี้เราต้องมีเวลากำหนดว่าถึงเวลาต้องทำเนี่นมันไม่ไม้ไ<ม>ทำหรอกถ้าปล่อยให้ถึงไปตามเดตามแบบเด็กก็มไม่ทำเหมือนพระอาจารย์เห็นเลยค่ะช่วงนี้ไม่ได้ทำแต่ว่าพยายามมาสองสามวันแล้วเนะนี่ยค่ะพยายามนั่งก่อนนอนได้ประมาณขึ้นชั่วโมงค่ะจากหนึ่งชั่วโมงเหลือครึ่งชั่วโมงแต่ก็จะพยายามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทีนี้มีคําถามมาค่ะพระอาจารย์ว่าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วถ้าจิตมันมันเหมือนกับนิ่งแล้ว อ, อที่เขาบอกว่าต้องเห็นเหมือนแสงสว่างใช่ไหมคะจะจะถึงเรียกว่าเข้าสมาธิแต่ว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นให้มันนิ่งให้มันว่างนั่นแหละที่ต้องการจะมีแสงสว่างไม่มีแสงสว่างไม่เป็นประเด็นสาคัญอ๋อโอเคถือ ก็ก็ยังงงว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วมันก็เหมือนกับตัวมันเบาสบายแต่ว่ามืดไปหมดมันเน่งมันเบามันสบายมันเย็นมันมีความสุขมันเฉยเยอ่ามันอยากจะมันอยากจะอยู่อย่นั้นนานๆค่ะไม่เหมือนตัวมันเบาๆาขึ้นแล้วมันจะมันมันมันยกยกแล้วมันก็เบาเบาไม่ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเอ๊ะทาไมมันมืด แบบคิดนิดนึงตอนอที่ออกมัน่ะเมือนก็ได้สว่างก็ได้ไ ม, ม่สาคัญอสมคัญที่เนื้อไม่หนึบมากกว่ า, าสุกแล้วไม่สุขมากปว่าให้นิ่งให้สุขให้สบายให้เย็นให้ อ, อยากจะอยู่อย่างนั้นเป น, นานนานอืมก็คือปล่อยมันไปเป็นตามธรรมชาติแบบนั้นไปใช่ไหมไคะเราเวลามันอาจจะมีแสงสว่างบงที่เวลามันอาจจะเกิดขนลุกขึ้นมาเ น, นี่ยก็เป็น เป็นเรื่องไม่แน่นอนเป็นของแถมอ๋อค่ะอาจารย์จะพายายามฝึกให้ได้ทุกวันค่ะต้องบางคับตัวเองคับการปฏิบัติถ้าไม่บังคับมันไม่มไมเอาเล<ม>่นมันชอบเล่นมากกว่าชอบดูชอบความชอบกินชอบเนี่ยวปล่อยมันนั่งเฉยๆนี่มันไม่เอาเวลาไปออฟฟิศแล้ว ก็ก็เวลาเดินไปทํางานก็นึกพุทธพุโทโธไปในใจเหมือนเหมือนมันออโต้เองขึ้นมาเองค่ะเวลาว่างๆเด็กดิทำให้มันเป็นออโต้เป็นมนะอย่าไป <สะ S 2> คิดคิดอยู่กับพุทธพุทธพุทธดีกวอ่าพุทธพุทโธไปเราช่วงพักเที่ยงทานข้าวเสร็จ ก, ก็มานั่งพักสักครู่นั่งที่โต๊ะนะคะมันก็เงียบเงียบแล้วก็นั่งหลับตาทําสมาธิไปมันมันก็ไม่ได้สงบซะทีเดียวแต่ว่า มันก็ไม่ได้จิงไม่โง่ไ่โมันสบายดีแล้วทำไปดีกว่าไม่ทำพระอาจารย์จะพยายามไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณสาธุไปที่นราธิวาสแม่ลุศรีศยาโอเคนมัสการค่ะพระอาจารย์งานกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพระอาจารย์ คุณแม่ดนูนเลยค่ะพระอาจารย์คะตอนที่มีคำถามนิดประมาณสองคำถามค่ะคือตอนที่นั่งเครื่องบินไปค่ะเมาเขาเมาเครื่องบินนะคะพระอาจารย์มัมนจะหลุมอากาศเยอ ะ, อะตอนนั้นไม่ได้พูดโทคะ่ะหนูไปนึกถึงพวกอาการสามสองกับว่าเราใช่คนคนนี้หรือเปล่าพิจารณาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปรากฏว่ามันอยู่ๆมันเข้าสมาธิต้อย่างนั้นค่ะพระอาจารย์ หนูก็เลยปล่อยให้เขาเข้าไปก่อนพอออกมาก็กะจะคิดใหม่เพราะเรายังคิดไม่จบเขาก็เข้าไปอีกอะค่ะพระอาจารย์ก็ดีถ้ามันเข้าสมาธิได้ก็โอเคถ้ามันสงบมันแน่มันไม่ตื่นเต้นตกใจไม่หวาดกลัวก็โอเคค่ะแล้วพอคราวนี้พอมันเข้าไปก็เลยนึกว่าเออหรือว่าจิตมันอยากจะนั่งสมาธิพอลองพุโทโธเ อ, อไม่ได้ค่ะพระอาจารย์มันก็แค่ได้แบบพุโทโธเฉย ๆ, ๆแต่มันไม่ได้เข้าไป ไม่ได้ตกลุมเข้าไปที่ว่างค่ะอาจารย์ได้การศึกษสองก็ใช้แทนพูดโธได้ค่ะ จ, จตอนนั้นไม่ได้แค่ไม่ได้อยากจะใช้เป็นคําบริการสายแค่รู้สึกว่าจะอยากพิจารณาอยากอยากคิดพิจารณาตามความเป็นจริงค่ะอาจารย์ได้ๆก็เป็นกรรมฐานอย่างไรการศึกษาสองกายแกตาสนติ ที่ยาทุตานุสติก็ใช้กายกัตตาสติแทนเย้ okay, ค่ะระอาจารย์ได้ mm hmm. ค่ะช่วงนี้ก็เอ่อพอเข้าพอตอนขึ้นเขาอะค่ะพระอาจารย์เลยพอจะนึกแบบจับเรียกอะไรเหมือนเข้าเหมือนนูเก็บข้อมูลนะคะรู้สึกว่าพอนั่งสมาธิแล้วอยู่อยู่ตอนที่มันลงหลุมลงบ่อไปมันคือเหมือนอารมณ์สำหรับหนูมันคือความรู้สึกเหมือนอารมณ์ที่เกียจนิดนเหมือนสบายสบายปล่อยปล่อยปล่อยปอย แต่ถ้าสมมติตั้งใจแล้วมันไม่เข้าหนูก็เลยลองใช้อารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วช่วงนี้ก็เข้าได้ทุกวันไม่นับว่านานไม่นานนะคะแต่ว่าก็เข้าได้ทุกวันเอาเริ่มจับจุดอย่าไปอยากให้มันเข้าถ้ามันอยากให้มันเข้าแล้วมันไม่เข้าต้องเฉยๆพูดโทรไปอ่านหักวการสารนิสสองไปเดี๋ยวว่าเข้าของไหนนอนเวลานอนอยากจะหลับยิ่งไม่หลับเลย อาบยามันทำให้จิตทำงานทำให้จิตมันพะวงขึ้นมามันก็เลยทำให้ไม่สงบใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่าเวลาท่เวลาท่าอย่าประยเวลาท่า น, น, น, น, น, น, น, น, น, นให้มีสติอยู่กับฟุทโตอยู่กับลมหมืออะไรก็ได้เขา อ, ออกมานะคะพระอาจารย์เจอแบบทดสอบค่ะมีแมวแมวเขาโดนหมาทำร้ายหรือว่า หลายหครั้งค่ะถ้าสมมุติหมาโดนรถคนต่อหน้าต่อตาหรืออะไรเงี้ยมันยังรู้สึกทําใจไม่ได้ที่ต้องเห็นคนหรือสัตว์โดนทำลายต่อหน้าค่ะรู้สึกทําใจไม่ค่อยได้ค่ะราจารย์ต้องก็ยังไม่พิจารณาว่าฉับประศัทธาทั้งหลายทั้งปวกเกิดแล้วก็ต้องแก่สิ้นตายด้วยกันทุกคนทั้งเขาทั้งเราย้อนกลับมาที่เราด้วยเราก็ต้องเป็นเหมนเขาบ้างใหญ่เลย ไม่มีใครได้กำไรขาดทุนไม่มีใครได้มากได้น้อยได้เท่ากันเกิดมาแล้วได้ความแก่ความเจ็บความตายเท่ากันหดทุกคนใช่ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปพิ จ, นะจารณาค่ะคุณพิจารณาเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเกิดแล้วก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายด้วยกันอย่างแน่นอนจะไปดีใจเสียใจมันกน็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงอันนี้ ต่อไปมันก็หายเศร้า ก, ก็จะเฉยๆเป็นกรรมเกิดมาเนี้ยการมาเกิดนี้เป็นกรรมถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีกับเราก็าเป็นกรรมของเราเราว่าเรามาเกิดเองถ้าไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาเจอเหตุการณ์ต่างๆอย่าไปโทษใครโทษตัวเราเองแล้วเรื่องมาจบ ถ้าปรปโทษคนนั่งโทษตอนนี้นก็กลายเป็นเรื่องเป็นพระเรื่องเป็นราวขึ้นมาโอเคนะแม่มีอะไรไหมขออนุ ญ, ญาตนะคะัอาจารย์มีนิดหน่อยค่ะคือเอาอารมณ์แรกของที่ยมไปวันที่สองก่อนนะคะโยมนั่งโยมมีความรู้สึกว่าโยมเหมือนกับหอเหี่ยวแล้วสภาพแวดล้อมเป็นสีน้ำตาลไปหมดเลยจนกระทั่งโยมเดินมาสนธนาการอาจารย์ น, นั้นรู้สึกมีกาลังใจที่อาจารย์บอกว่า ตอนนี้อยู่วัดยานคําว่าวัดยานมันเป็นพลานให้รู้สึกฟูขึ้นมาค่ะแล้วก็พออาจารย์บอกว่าให้คิดติว่ามาเพื่ออะไรโยมไม่กล้าตอบอาจารย์ถามโยมหนึ่งสองครั้งโยมไม่กล้าตอบโยมกลัวเจ้านี่ทวงค่ะโยมก็เลยไม่กล้าตอบแต่พออาจารย์ให้ทุเรียนบอกว่านี่เป็นกําลังใจอารมณ์เหมือนกับมันฟูค่ะแล้วก็โยมถืออาจารย์ทุเรียนมานะคะคนบนศาลายเยอะแยะไป็หมดเลยแต่โยมไม่เห็นใครเลยโยมเห็นแต่อาจารย์ทุเรียน จริงๆนะคะตือแต่จานทุเรียนเดินผ่านมาร้อนก็ไม่รู้สึกว่าร้อนผ่านต้นไม้มารู้สึกว่าต้นไม้แสดงความยินดีกับเราเดินถือจานทุเรียนไปแบบมันมีพลังแบบนี้นี่เองก็มีกําลังพอมันจะได้ินทุเรียน <c oughs> ไม่ใช่ค่ะทุเรียนอ่ะมันมันมันมั น, ม น, มนอันนึ่งค่ะจา์โยมรู้สึกว่าโยมมีกิเลสตอนก่อนหน้านี้โยมแอบคิดอยากได้อยากได้โยมไม่เคยได้เลยวันนั้นโยมบอกโยมไม่อยากโยมจะไม่ขออะไรจะไม่คิดอะไรเลย พอได้มารู้สึกมันเดินไปนะครับบนศาลาพระก็เยอะโยมก็เยอะแต่ไม่มีใครมันเหมือนสปอร์ตไลท์ส่องมาที่โยมคนเดียวที่จาย์ทุเรียนอย่างเดียวค่ะมันมีความสุขมากอันนั้นจะเป็นกิเลตก็ช่างมืนเดียนะครับมันเป็นพลังแล้วโยมก็มาปฏิบัติทุกวันตั้งใจทําค่ะอาจารย์จนมาเริ่มนิ่งนิ่งนิ่งเรามีความสุขกับการเดินจงกรมรอบนี้ถวายเป็นพุทธบูชารอบนี้รำมบูชาสังฆบูชาแล้วทุกวันบอกว่าแม่อยากเป็นอะไรนะขอให้ลูกทํางานให้ได้ก่อนนะ ให้ครบนะแต่พอวันที่เจ็ดเกิดงานศพแม่ขึ้นมาปุ๊บยมก็ไป ท, ทําภารกิจของโยมจนเสร็จแล้วก็พอกลับมาปฏิบัติทํามบญเขาชีโอนต่อมันโง่ามากเลยอาจารย์อารมณ์มันตามกลับมามันฟุง้งฟุ้งฟุงฟุงฟ้ ง, งยมร้องไห้เลยเขาว่าทําไมเราทําไม่ได้ทําไมเราห้ามความคิดเราไม่ได้จนกระทั่งคําที่อาจารย์บอกยมว่าอย่าอยาแล้วให้สัตว์แต่ว่ารู้มันกลับเข้ามาค่ะแล้วโยมก็รู้สึกว่าเออใช่ให้เราสัตว์แต่ว่ารู้แล้วเราอย่าไปอยาก ก็มีกําลังใจคราวนี้ไม่เดินจูบมุมนั่งสมาธิทั้งวันค่ะอาจารย์แล้วพอมาฟังธรรมได้น้องบนเขาถามว่าเขาท้อโอ้หรือมีเหมือนคนแบบเราเหมือนกัน <c oughs> แสดงว่าไม่ใช่เราคนเดียวเส้นทางนี้ไม่ใช่เราคนเดียวแล้วคำธรรมที่อาจารย์เขียนไม่เป็นสกุปสั้นๆว่าอย่าเสียใจถ้าเรานั่งแล้วมันไม่สงบให้เราได้นั่งดีกว่าไม่นั่งเลยโอ้ใช่ก็ทำค่ะแล้วก็สักแต่ว่ารู้คราวนี้สักแต่ว่ารู้มันก็ได้อยู่ค่ะอาจารย์มัน นิ่งนิดหน่อยก็ยังดียมถือว่าเป็นกําลังแล้วค่ะเป็นพลังแล้วก็รู้สึกว่าพอมันเริ่มนิ่งพอออกมาจากนั้นเราเรายิ้มแล้วมันบอกตัวเองว่าดีงามค่ะจารมันพูดเองอารมณ์ทางจิต บ, บอกว่าเ อ, อดีงามแล้วก็มีกําลังใจทำค่ะอาจารย์มันรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดมันได้อุเบกขาแล้วก็มันสามารถได้ไม่มากก็น้อยค่ะอาจารย์แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราแกว่งนิดนึงจากการที่เราไปจัดงานมาค่ะอาจารย์ อารมณ์มันค้างอยู่สัญญาอารมณ์มันครับใช่ค่ะมันมันค้าดูทันมันดูดูแลก็ปล่อยว่างใช่แต่ตอนแรกตอนอยู่ในปัจจุบันใช่ค่ะวันแรกวันแรกเนี่หยบมันครึ่งวันแรกเนี่ยเพราะว่าออกเก็บกระดูกแม่วันที่สิบสี่ใช่ไหมคะวันที่สิบห้ายมก็ขึ้นวัดหขึ้นเขาเลยสิบห้าหรือสิบหกไม่แน่แต่ใดแล้วก็มันมันเหมือนกับว่ามันตามมาพยายามไม่คิดแต่มันมันมีขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งร้องไห้ว่าเอ๊ะทำไมเราทำให้ความคิดเราไม่ได้อ๋อเราไม่สักแต่ว่ารู้เราไปคุยเขาอะค่ะอาจารย์เราก็เลยใช่ค่ะมันก็เลยแต่ว่าก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะว่าที่สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นใจรักโยมก็ยืนดูแม่ล่างแม่ที่นอนอยู่บนเตียงแล้วก็ยืนดูกระดูที่เขาเก็บแล้วก็บอกอืมก็เท่านี้วันหนึ่งเราก็เป็นแบบนี้ค่ะอาจารย์นี่คือสิ่งที่ได้มาคะ่ะ ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะทำให้รู้สึกมีกำลังใจแต่ว่า <Yeah. S 1> ถามว่าเราเป๋ไหมมันก็มีบ้างนะคะเพราะนั้นคือแม่เรากลับมาก็ยังไม่ได้ทำเลยค่ะนอนอย่างเดียวเลยค่ะจะนอนนอนที่เกียดมาก <c oughs> ค่ะแล้วก็ลุกขึ้นทำทำนั่งสมาธิเขาบอกพอก่อนก็ได้มั้งไม่ได้ต้องทาค่ะจะเป็นอย่างนั้นค่ะจะพยายามต่อไปค่ะ yeah. ยมก็ต้องกลับบย่าหยุดอย่าดยดตามใจมีลมห ใ, ใจก็ทำไปเรื่อยๆวันนี้ขับรถไปขับรถไปสุงไหนก็โลก1สิบหกิโลก็อยู่กับการขับรถไม่ไปตรงอื่นมันก็โล่งดีค่ะอาจารย์ได้อยู่ค่ะพยายามตั้งสติมันต้องต้องตั้งสติค่อนข้างหนักอยู่อะค่ะสำหรับผ่านก่อนจะผ่านจุดนี้มาได้แต่ถือว่าเราก็ผ่านมาถ้าหากว่ายมไม่เจออาจารย์ก่อนยมก็อาจจะเป๋ก็ได้ค่ะอาจารย์ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปจัดงานศพให้ทุกอย่างเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเป็นเป็นพี่คนโตเป็นพี่สาวคนโตค่ะต้องดําเนินการทุกอย่างแต่ก็ผ่านมาได้ค่ะด้วยกำลังใจที่มีค่ะขอบพระคุณอาจารย์นะคะทำด้วยสติทำด้วยปัญญาแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปเรียบร้อยค่ะอย่าทำด้วยอย่าทําด้วยอารมณ์ค่ะถามว่าเราเป็นใหญ่เราเป็นผู้ทุกอย่างก็อยู่ภายใต้คําสั่งของเราใช่ค่ะจ้ะ พยายามติดซื่อเลยค่ะร่วมกับคนอื่นเขาเขามีใครยังไงก็ฟังเขาไม่ได้เอาแต่ตัวเราเป็นใหญ่คนเดียวโยมโยมปล่อยให้เขาทําตามขั้นตอนของเขาแล้วแต่กิฏิกรรมก็จะทํายังไงโยมก็ปล่อยค่ะโยมก็ได้แต่ภาวนาให้แม่เอาละผู้ชมเขาจะพรมน้ำพรมอะไรก็โอเคโยมยืนมองไกลๆอ่ะก็ทําหน้าที่ของเราทําหน้าที่ของลูกส่งแม่ค่ะแค่นั้นเองถูกต้องค่ะผู้ช่ะ สาธุค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสติปัญญาของตัวนี้จําไว้ให้ดีใช่ค่ะสติเือให้สักต่ว่ารู้ปัญญาก็คือให้ปลอให้เห็นตายแล้วนะแล้วพอลงมาฟังธรรมอาจารย์วันที่สิบเจ็ดนั้นนะคะพออาจารย์เทศเรื่องอริยสติอีกมันยิ่งตอบย้ําเข้าไปใหญ่ค่ะอาจารย์รู้สึกว่าอ๋อเราจะต้องเหลืออย่างเดียวหน้าที่ของเราอย่างเดียวคือสัมมาสติและสัมมาสมาธิรู้สิ่งทุกอย่างจะตอบออกมาได้ค่ะอาจารย์อยู่ที่เราเองละค่ะ ใช่ดีมากขอเยนะสาธุค่ะในที่ไชน่าอิสตาการ์าฟังทำค่ะพระอาจารย์แล้วก็จะบอกว่าที่วุ้นที่ที่ที่ถวายอะค่ะพระอาจารย์นอกที่เขาทำอะค่ะเป็นทิศั้นของอาการิโก้อะค่ะแล้วก็เขา เขาไม่คิดค่าขนส่งค่ะอาจารย์เขาร่วมทํา บ, บุญค่าขนส่งค่ะดีจ้ะสาธุนุโ ม, มตนาด้ยค่ะอาจารย์ปฏิบัติทุกวันค่ะโอเคแผ่เมตตาให้คนใกล้ตัวหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรแล้วค่ะน่กลัวม <laughs> ันก็แยกกันเป็นธรรมดา <laughs> <laughs> มันเป็นใจรักไม่เที่ยงเหร อ, อไม่เที่ยงนะ okay. <laughs> ไม่ทุกขนะ์เลยต้องเป็นใจรักก็ไม่ทุกข์ด้วยนะ ไม่ไม่ไม่ไมไมทุกแต่ว่าก็เลยแบบว่าถ้าสมมติว่าแย่มากก็ลงลงชื่อไปภาวนาต่อแล้ะจะดึงจะดึงเขาด้วยอ่ะคะ่ะพระอาจารย์ให้ไปวัดอ่าแล้ววันนี้อยากจะเรงไปดมไม่ยอมไม่ยอมไม่ไแล้วก็ที่บ้านก็คือเขาก็ถามนะว่าขึ้นไปอ่ะ มันมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคงเห็นลูกเปลี่ยนแปลงอะค่ะเพราะว่ามาอะไรอย่างเงี้ยลูกก็คนที่โกรธลูกก็ไม่โกรธแล้วก็ขออะไรลูกก็ให้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถามว่าไปบนนั้นน่ะไปทําอะไรบ้างลูกก็บอกก็ไปไ ม, ไม่ทำอะไรไปไม่ไปไม่ไปทำอะไรไปนั่งเฉย รู้เขาบอกว่าไปหาความสงบก็เป็นนั่งสมาธิแล้วก็อ่านหนังสือสบายไม่มีใครยุ่งค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติค่ะไปที่กรทมเอกชายน้ำโมตั้งโดยพระอาจารย์คุณยายติดโควิดครับผมพระอาจารย์ติดใจเราเลย ผมไม่ได้ติดครับผมติดอยู่คนเดียวในบ้านเลยครับคุณยายก็ไม่ติดจากใครเลยก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันครับคุณแม่เขากล่าวหาผมค ร, รับพ่อจานเขาบอกว่าผมนี่แหละเป็นพาหะแต่ประเด็นเพราะว่าผมมีตาแดงก่อนหน้านี้แต่ว่าผมไปหาหมอมาแล้วแล้วคุณหมอก็ยืนยันสองรอบไปว่าเป็นภูมิแพ้ไม่ใช่โควิดไมเว็นไล่ะก็เป็นก็ต้องเป็นแล้วอาการุแรงไหม ไม่รุนแรงครับผมคุณยายคือบ้านได้อยู่ไหมบ้านอยู่อยู่บ้านครับผมแล้วก็คุณยายคุณยห้ทําสมาธิทําใจสงบไว้ใช่ทําาสวัส่วนช่วยได้นะครับอาจารย์ได้ครับเดี๋ยวบอกคุณยายให้ครับคุณยายเสียใจไม่ได้เข้าซูมวันนี้ครับผมอาจารย์วันนี้มีเรื่องจะมาเรียนอาจารย์ครับผมก็ผมโดนลองของครับอาจารย์ คือมีมีเพื่อนที่เขาเป็นแบบอีกศาสนาหนึ่งเขาก็อยู่ๆวันนี้ก็มาถามผมตอนผมนั่งกินข้าวอยู่ถามผมว่าเฮ้ยนโมศาสนาพุทธคืออะไรอะสอนอะไรอะ่ะศาสนาพุทธสอนอะไรผมก็บอกเขาบอกขีหลักสําคัญอันเดียวเลยคือมันไม่มีอะไรเลยร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอะไรอย่างนี้ก็ผมก็บอกเขาไปอย่างนี้วันนี้เขาก็เถียงผมกลับมาว่าอา้าวจะไม่ใช่ของเราได้ไงเนี่ยนี่ยกมือ ย, ยังยกได้เนี่ย เนี่ยพูดยังพูดได้ดูดน้ำยังดูดได้แล้วทำไมแล้วทำไมมันจะไม่ใช่ของเราผมก็เลยตอบเขากลับไปว่าเนี่ยเราห้ามไม่ให้แก่ได้ไหมเราห้ามไม่ให้เจ็บได้ไหมเราห้ามไม่ให้ตายได้ไหมเราห้ามผมไม่ให้งอกได้ไหมเราห้ามผมไม่ให้ลวงได้ไหมประมาณนี้ครับไปจผมผมตอบถูกต้องไหมครับหรือว่ามีตรงไหนของแกแล้วเขาก็เนี่ยแล้วเขาก็อึ้งไปครับไ <laughs> แล้วเขาก็ไปเล ย, <laughs> นเนยไปลเลยครับมีตรงไหนที่ผมอ่ พูดผิดนะครับหรือว่าก็ถูกครับเนี่ยเราห้ามเร า, เราบางครั้มันได้หรือถ้ามันเป็นของเราเราก็ต้องบังคับมันได้ครับอาจารย์ก็พยายามปฏิบัติต่อเนื่องครับพอคนเห็นเขาก็เนี่ยจะโดนลองของบ่อยว่าปฏิบัติอะไรอะ่ะะเห็นอะไรบ้างฮะอะไรก็รดีจะได้ดูว่าเราเราเร า, เราทำข้อสอบผ่านหร้อไม่ครับก็<ะ>อาจจะทําให้เขาศรัทธาเราก็ได้ต่อไป ครับอาจารย์เดี๋ยก็อาจจะครับอาจารย์แต่ว่าเราก็ต้องเอาตัวเราให้รอดก่อนครับอาจารย์ครับอาจารย์ปฏิบัติต่อเนื่องครับผมวันนี้อากาะอาจารย์ครับโอเคดูแลคุณยายให้ดีนะครับอาจารย์อาจารย์รักษาธาตุขันด้วยนะครับผมสรับขอบคุณอาจารย์ค่ะคุณหมอรัศดาก่อนทำหมออันนี้ไม่ไปปฏิบัติที่ไหนช่วงนี้อ๋อค่ะกำลังกำลังเริ่มนะคะลิสต์ชื่อมาแล้วพระอาจารย์ค่ะ ก็ฟังพ่อฟังหลวงปู่หลวงปู่สิมพุทธาโรใช่ไหมคะก็ริสว่าเดี๋ยวจะไปมีของหลวงปู่เจียที่ที่พระอาจารย์ให้ไปตรงนั้นนะคะก็ว่าจะลองค่อยๆแบบเหมืับเหมือเป็นขอทานเล่นร่อนทุดงไปเรื่อยๆก็ <c oughs> จะมีของหลวงปู <c oughs> เ่เจียแล้วก็คือยังคุยกับแฟนว่าวัดท่ามหาป่องคือแบบเพาฟังหลวงปู่สิมเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าโอ้โหบอกไม่รู้ว่าเด๋ยลองดูว่าว่าท่ามหาป่องถ้ามีโอกาสจะลองไปดูแล้วก็มีของ ก็มีของที่พระอาจารย์บุญมีใช่ไหมคะก็จะไปพระธรําสหายด้วยอถามว่าจะลองไปจนกระทั่งจนกระทั่งเข้าวันศักก็จะได้ไปอยู่เลยเดือนหนึ่งพระอาจารย์เพราะว่าไม่ได้ไปมาสองสามเดือนแล้วค่ะกลัจะทดแทนดีไหมคะพระาเพราะว่าจะไปทําข้อสอบของตัวเองด้วยพระอาจารย์แล้ววันนี้พระอาจารย์เท่เรื่องทําไตสิกขาแล้วก็เห็นใจรักมีความรู้สึกว่าเออมันมันทําให้มันเหมือนกับพอเข้าใจแล้วอ่ะมันก็ มันเลยมันมันไม่อยากเพราะว่ามันเข้าใจค่ะอาจารย์มันเหมือนจับโดนหลอกมาตลอดพอตอนนี้เราเข้าใจพอเหมือนกับที่พระอาจารย์เคยถามตอนนู้นอ่านหนังสือเยอะนะอ่านเซนอ่านอะไรอ่านอ่านแต่มันมันมันไม่สามารถจะปล่อยอะไรได้แต่พอทำไตสิกฐานที่พระอาจารย์เทศวันนี้ยมีควารู้สึกว่าเออมันมันใจมันสบายขึ้นเยอะมากเลยพระอาจารย์ค่ะก็คือเข้าใจที่พระอาจารย์เทศได้แล้วก็แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องใจอะค่ะเพราะว่าตอนนี้แบบมันเหมือนกับทํางานเนี่ยเรา ไม่เสนอหน้ามันที่พอาจารย์บอกเวลาเขาขอให้ทำอะไรเราทําแต่ว่าเราสามารถจะอยู่เบื้องหลังได้ไม่เสนอหน้ามาอะไรไม่จัด ก, การแล้วก็ปล่อยปล่อยงานไปได้สองงานเลยนะพระอาจารย์ตอนนี้ก็ค่อยค่อยปล่อยไปอีกอาจารย์ดีดีการทั้งโลกทาไปไ่้หลายการนั้ น, นใชไ่ไม่เลยทำให้เราเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วก็ยัง แล้วก็ยังคงทําสม่ําเสมอนะคะว่าอาจารย์ก็คือตื่นตีสามนั่งสมาธิแล้วก็ออกไปเดินจงกรมอะไรอย่างนี้คะก็นั่งสามเวลาทําทําทําแบบว่าทํำตลอดถึงแม้อยู่ที่บ้านพรที่บ้านตอนนี้ก็ปรับทุกอย่างมันเป็นทางเดินจงกรมก็ออกไปกลางคืน น, นั่งข้างนอกอ ะ, ะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ค่ะดีนี่ครับแต่ต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะได้ค่ะพระอาจารย์คือมีความรู้สึกว่าสามารถทําได้ทุกที่จริงๆเลยพระอาจารย์รู้สึกขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยรู้สึกใจมันเบาขึ้นเรื่อยๆดี ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปตีดวิเวกไปที่โกเบมันชุบโกเบโกเบนี่อยู่ทางใต้ของโตเกียวและทางเหนือของโตเกียวอยู่ทางทิศตะวันตกของของโตเกียวค่ะของถ้าถ้าถ้าดูตามแผนที่อ่ะจะอยู่ตรงกลางตรงท้องท้องมังกรบอกไม่ถูกตรงท้องอยู่ด้านซ้ายมือของโตเกียวเลย ตั้งสายมือของโตกเกียวค่ะอยู่ต่ําลงมาไม่ได้ต่ําลงมาไม่ได้สูงเกินไปไไระดับเดียวกันอยู่ใช่อยู่ระดับใกล้ๆกันอยู่ระดับต่ำกว่าด้วยซ้ํำมั้งคะพะอาจารย์ตรงนี้นไม่มเป็นราคาหรืเปล่าที่ข้าค่ะพระอาจารย์คะอาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์ถามหนูว่าหนูยังได้เดินไปทํางานอยู่ไหมหนูไม่ทันได้ตอบพระอาจารย์ค่ะคือหนูหนู หนูไม่ได้เดินแล้วะค่ะพระอาจารย์ทําไมคะเพราะว่าหนูกลัวไปทํางานอีกที่ไม่ทันค่ะพระอาจารย์เพราะว่าอันที่แรกแล้วจากนั้นก็ต้องไปทํางานที่ที่สองกลัวประกันด้วยค่ะพระอาจารย์หลังๆไม่หน่อยไม่เป็นไรถ้าไม in ่ทันไม่ก็ไม่เป็นไรนี่ว่าถ้าได้เดินมันก็ดีได้ออกกําลังกายแล้วก็ได้เจริญสติไปด้วยค่ะพระอาจารย์ค่ะหนูมีคําถามค่ะวันนี้คือพระอาจารย์ตอนสมัยที่พระอาจารย์เริ่ม ห, หัดปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยพระอาจารย์เคยมีเคยมีนิวรณเกี่ยวกับความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นไหมคะอย่างเช่นการเบื่อหน่ายที่จะฟังเทศหรือการเบื่อหน่ายที่จะนั่งสมาธินะคะพระอาจารย์ตอนนั้นพระอาจารย์มีอุบายยังไงที่ทําให้กลับมานไม่เบื่อนะเราปฏิบัติแบบไม่ไม่หยุดไ ม, ไม่ไม่ปล่อยไ ม, ไม่มีช่อว่ า, างมันเบื่อพย อ, อยากจะปฏิบัติไปเรื่อยๆ ล แ, ลแล้วคะ่ะพระอาจารย์ถ้าถ้าตอนนี้หนูหนูหนูมีความความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยหนูควรจะทํำยังไงดีคะพระอาจารย์เพราะบางทีอ่ะหนูหนูหนูรู้ตัวเลไตอนเกิดขึ้นคือเอ๊ะทาไมถึงไม่อยากฟังอยู่ดีก็ไม่อยากฟังทงัทง้ทงที่ฟังทุกวันไม่ฟังก็ทำอย่างอื่นก็ได้ไม่ฟังก็สวดมนต์ก็ได้เดินจงกรมก็ได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ เป็นทำอย่างตัวเองค่ะแล้วหนูมีคำถามอีกคำถามหนึ่งค่ะพระอาจารย์อนโเองไม่ใช่เอกอตตะกิลมัฐานุโยอนี่คือคือการทา ร, ร, รมานการทารมานร่างกายเลยนี่เกิดประโยชนอะไรคนบางคนคิดว่าถ้าเราชนะความทา ร, รมานร่างกายให้ร่าง ก, า ย, า, กายเจ็บปวดแล้วเราจะพ้นพ้นจากความทุกข์ แต่ของความเจ็บปวของร่างกายมันก็ไม่พ้นไปอย่างทุกีดวงร่างกายเจ็บไปอย่างทุกีดวงอย่างถ้าสมมติอย่างคนที่นั่งทําสมาธิแบบเนสัตชิกะค่ะที่แบบทําตลอดอย่างนั้นเรียกอัตตะกิล ม, ม, มัทท์โยนละุกอันนี้เขาเรียกาความเพียรทำความเพียรแก่ก็ทำมไม่อยอมพักผ่อนหยับนอนเป็นช่วงๆไม่ใช่ทําตลอดเวลาเชนอาทินี้จะเอาสัก สามวันไม่นอนเดินเอาสามรนยาหลดเดินเดินยืนนั่งเพื่อจะได้จะได้ปฏิบัติได้มากถ้านอนแล้วมันจะเสียเวลาแบบนั้นไม่ไม่เรียกว่าเป็นการทรมาร์ทเาเรียกเป็นทุดงข้อขอทุดงทุดงกวอนเป็นข้อกำหนดขึ้นมาอะไรใช่ไหมคะพระอุทชเจ้าเป็นคนตัดคหนดให้ทำขอคุณากค่ะ ค่ะวันนี้ก็มีคำถามเท่านี้ค่ะภาอาจารย์ไอ้ที่อัตตะไอ้ที่ทาํามนตอนนี้เป็นผู้ออกแบบยืนขาเดียวไม่โกนหนวดโกนผมไม่ใส่เสื้อผ้าฉีบเปยพวกนั่งบนที่นั่งที่มีของคมมีน้ำมีอะไรอย่างนี้ให้ทำงานให้ร่างกายเจ็บ อ, อย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นทางสู่การหนึ่คนจากความชุ่ กายก็ยังทุกข์อยู่กับหน้ามืกอกาใช้ทางสายกลางคือทางศีลสมาธิปัญญาทาําสศีการอีกค้นจากความทุ ก, กข์หุดค้นจากความทุกข์ใช้ทางสายกลาง อ, อีกทางนึงก็ไม่ใช้ทางดับทุกข์เรื่การไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ดับดับได้ชั่วคราวเวลาไปเที่ยวก็ลืมความทุกข์ไป กับมาจากเที่ยวเดี๋ยวความทุกข์ที่มีอยู่ ม, ยมันก็ยางกลับมาให้อ๋มีมีคําถามหนึ่งคะ่ะพระอาจารย์อย่างเราเป็นปุตุอย่างหนูเป็นปุตุชนอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนทํางานบางทีหนูก็มีความรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วจังเวลาที่มีความสุขอ่ะเวลาจะรู้สึกจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากแต่ถ้ามีความทุกข์กับแบบเบือ่อหรืออะไรเงี้ยจะรู้สึกเวลาช้าไปมากสําหรับนักบวชนะคะเวลาของนักบวชเนี่ย มีความรู้สึกแบบไหนคะเร็วหรือช้าคะก็อยู่ว่าการปฏิบัติของเขาเป็นยังไงเขาปฏิบัติแล้วเขามีความสุขมันก็เร็วาปฏิบัติแล้วมันมีความทุกข์มันก็ช้าเหมือนกันนักบวชเวลาปฏิบัติมีความทุกข์ด้วยหรอ เ, เจ้าคะมันก็มีที่มันก็เกิดอาการเหื่อยอะไรเกิดอาการท้อแท้ได้ครับ รับทราบพระเจ้าเจ้าค่ะบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนางมนเขาก็ไม่มีเขาก็ไม่มีความท้อแท้เรืออยๆเขามีความสุขตลอดเวลาเ้าปฏิบัติข้าวหน้าไปเรื่อยๆทุกขั้นทุกตอนไปเขาก็มีแต่ความสุขสั่งพวกปฏิบัติแล้วไปติดไปไม่ไปไม่ไไมเข้าสมาธิไม่ได้นะสมาธิเนีย่ยเดินจงก้มก็ไม่สงบอะไรอันนี้การจะทําให้เบื่อได้ท้านะ เจ้าค่ะแต่จึงแล้วแล้วเวลาทำสมาธินี่คือเราควรจะไม่มีความอยากใช่ไ้ยเจ้าค่ะคือ เ, เวลาทำไม่ให้อยากแต่เวลาไม่ได้ทำก็ต้องอยากทำเช่นตอนนี้คนจะอยากทำเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวฟังเทศเสรอยากจะนั่งสมาธิต้องมีต้องอยากตอนนี้แต่ตอนที่ไปนั่งก็หยุดกางอยากเมื่อถึงทาหน้าที่ของการนั่งอย่าไปทำอย่าปอยากให้มันสงบเฉยๆมันไม่สงบ จากการอยากมันจะหมดจากการพุทโธพุทโธพุทโธไปมันจะสงบไม่สงบก็อย่าไปสนใจบางทีก็สงบบางทีก็ไม่สับเป็นเรื่องของพุทโธของเราต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าไปอยากให้มันสงบแล้วนางเอนางฮาที่ยังไม่สงบเมื่อไหร่ัน่ใช่งบทักที่คิดอย่างนี้อยู่แล้เนยก็ไม่มีวันสงบต้องไม่คิดถึงเรื่องความอยากให้มันสงบ ให้อยู่กับให้อยากให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวการนั่งก็ใอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอยากให้ใจอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเจ้าค่ะจะเอาไปปฏิบัตินะเจ้าค่ะถกค่ะวันนี้มีเท่านี้แรละอาจารย์โอเคพยายามทําต่อไปนะอย่าท้อเป็นถ้าท้อจากการนั่งก็มาเดินอ๋อ เดินั่งไม่ไหวก็ส่วดวนไปอ่านหนังสือธรรมะไปสลับกันท้าอะไรไปถ้าไม่เอาอจริงๆก็พักตั้วันก็ได้พั ก, พกตั้งวันวันนี้ไม่เอาเราพักแค่หน่อยก็ได้แต่อยาอ่าพักอย่าไปพักมานันไปแล้วตอนเย็นจะไม่กลับมาจะไม่กลับมาเดี๋ยวอีกสองวันหนูจะกลับไทยแล้วค่ะพระอาจารย์ช่วงแรกหนูก็ตื่นเต้นค่ะว่าถ้าจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดนี่จะเจออะไรว่างแต่ตอนนี้หนูรู้สึก เฉยๆแล้วค่ะพระอาจารย์อย่าไปคิดไปถึงแค่นั้นนะพรว่าจะเจออะไรก็ให้มันรู้กันอ่พ่ะอาจารย์ขอบพระคุณนะคะพรอาจารย์หนูจะนอะ็อตบัตรค่ะขอบคุณอาจารยไปที่อวิทอคุณนานการอำมาตย์สกายค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามค่ะโอเคอย่ในเดลั Dallas, Dallas Texas คุณสุภัทร เมก่อนไป็นะเป็นครูเหรอหรือเป็นอะไรถามนามส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นเป็นอ่าเป็นครูเจ้าค่ะครูการศึกษาพิเศษเจ้าค่ะเด็กพิเศษแล้วเรียกว่าสอนเด็กพิเศษเจ้าค่ะสอนเด็กออทิสติกอ่าคงเหนะคะสอนเด็กคงได้เหนื่อยเลยสนุกจะไม่เหนื่อยเจ้าค่ะ <laughs> รู้สึกว่าอยู่กับพวกเขามีความสุขเจ้าค่ะลูกชอบ เขาน่ารักเขาค่อนข้างจะใส่ซื่อนะคะแล้วก็ไม่ค่อยพูดถ้าเรเข้าใจธรรมชาติเขาเขาไม่เหนื่อยถ้ารเข้าใจเราพยายามไปเปลี่ยนเขาก็เรามันก็จะเหนื่ยเจ้าค่ะลูกอยู่กับกลุ่มที่อาการค่อนข้างจะรุนแรงเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นภาษาเขาจะเขาจะไม่สามารถสื่อพูดออกมาได้เจ้าค่ะเราก็เลยอยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องไม่ต้องพูดมาก แต่อยู่ด้วยความเข้าใจกันมีความสุขมากเจ้าคะ่ะค่ะเดย์นะคะลูกก็เลยมาเรียนเรียนต่อที่นี่ตอนแรกก็เพื่อจะเอาความรู้ไปช่วยเขาแต่พอเอินมีเหตุจําเป็นที่ทําให้ต้องหยุดวิชาชีพนี้เจ้าคะ่ะลูกก็เลยรู้สึกโชคดีเหมือนกันที่ได้มาเดินวิชาใหม่เรียนรู้วิชาใหม่วิชาพระพุทธศาสนาเป็นบุญเจ้าคะ่ะอันนี้สำคัญกว่าวิชานี้สาคัญกว่าเจ้าค่ะ อาจารย์เจ้าคะวันนี้คุณพ่อมีคาถามมาสองคำถามเจ้าคะ่ะมาเลยจะอ่านตามที่โจดย์บคุณพ่อนะเจ้าคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณพ่อเขาจะเปิดฟังทีหลังอะเจ้าคะ่ะคำถามที่หนึ่งนะเจ้าคะ่ะคุณพ่อถามว่าพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ทานเนื้อมนุษย์ด้วยกันก็ คงจะเป็นเหตุผลคือถ้ามนุษย์กินกันก็จะเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่กินกันเองคุณพ่อเข้าใจแบบนี้นะคะก็เพราะว่าคุณพ่อก็เห็นว่ามดมาแมลงสัตว์ต่างตัวเล็กที่ตายไปเนี่ยคุณพ่อไม่เห็นซากศพของมันเลยก็เลยเข้าใจว่าสัตว์เหล่านี้กินซากศพกันเองเพื่อเป็นอาหารใช่ค่ะเรื่องแบบนี้เราไม่รู้หรอกเราไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่สามารถจะตอบได้ขออภัย นะคะข้อที่สองนะเจ้าคะ่ะคุณพ่อถามว่ า, านิพานคือหมายถึงสูญไปแล้วทีนี้คุณพ่อบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะมีคนเห็นรูปถ้าจะมีคนเห็นตัวตนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นไปได้ไหม ตัวอย่างก็คือว่าคุณพ่อบอกว่าได้ฟังมาว่ามีคนอังกฤษเนี่ยถ่ายรูปที่ใต้ต้นไม้แล้วติดรูปพระพุทธเจ้ามาจะเป็นไปได้ไหมจะเป็นไปความจริงได้ไหมที่ถ่ายรูปติดรูปพระพุทธเจ้ามาเจ้าคะ่ะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีกล้องแบบไหนที่สามารถถ่ายอถ่ายสิ่งที่เป็นนมามธรรมได้สิ่งที่ตาคนมองมองไม่เห็นก็มันจะเก่งกว่าตาคนเราก็ไม่รู้ ไม่อยากตอบปัญหาเหล่านี้เพราะเราไม่ไม่รู้จริงๆตอบไปเดี๋ยวก็จะเป็นการตอบผิด <Okay. S 1> คือเรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นประเดงสําคัญสําหรับการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้อย่าไปเสียเวลากับเรื่องราวเหล่านี้ดีกวามาให้มาเสียเวลากับวิธีดับความทุกข์ในาระดับยังไง เจ้าค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจา้าค่ะลูกมีคําถามแค่นี้เจ้าค่ะวันนี้อ่อาขอบคุณอ่าใบเอวเอตอมนิสากลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะก็ลูกช่วงนี้ลูกไม่มีอะไรคะ่ะก็นิดหนึ่งคงจะเป็นเรื่องความฟุ้งสั้นจากการที่ลูกไม่ไม่อยาก แก่ไม่อยากกะตายอะค่ะพระอาจารย์แต่ถ้ามันเป็นไปได้ไหมนะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันความฟังซ่านของลูกมันก็ลูกก็คิดอค่ะคิดแล้วก็แต่ว่ามันก็เหมือนมันแต่ก่อนมันไม่เป็นค่ะพระอาจารย์แต่ว่าช่วงนี้มันเกิดขึ้นมาเยอะอะค่ะเหมือนมันแต่ก่อนมันลูกเข้าใจว่าเออลูกสามารถที่จะหยุดมันได้เวลาคิดถึงเป็นมนเหมือนเป็นปัญญาแต่ว่าตอนนี้มัน กลับมาเป็นสัญญาเยอะค่ะพระอาจารย์ลูกก็เลยใช้วิธีแบบตอนเดินจงกรมนะคะ่ะลูกก็ท่องตามที่น้องเจเน็ตกับเจตี้ท่องเกี่ยวกับเออเรามีความตายเป็นธรรมดาอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมคะตอนเดินจงกรมเหรอคะลงไปเรื่อยๆให้มันฝังในใจให้มันยอมรับให้ได้ค่ะพระอาจารย์ก็เนี่ยค่ะก็พอดีมันไม่ทราบมันเป็นไรขึ้นมาช่วงสองสอาทิตย์นี้มัน มันมีเหตุปัจจัยอะไรมันมันทามากระตุ้นให้ลูกเกิดการฟุ้งซ่านเรื่องพวกนี้ค่ะก็ใช่ต้ากาถามตัวแล้วมีใครไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้างไหมค่ะพระอาจารย์คือเวลามันคล้องเสร็จมันก็ได้ค่ะมันหยุดได้แต่ว่าอย่างมันก็มาอีกละมันก็เลยรู้สึกว่าเอมันคงเป็นสิ่งที่มันยากมากสำหรับลูกค่ะเรื่องนี้อย่างเรื่องพวกแบบความ ความโลภความอยากอะไรต่างๆพวกอะไรนี้รู้ไม่ไม่สามารถคิดว่าตัวเองละได้ะคะ่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องรักตัวเองนี่รู้สึกว่ามันเป็นความกลัวที่มันมันจะฝังอยู่ลึกๆแล้วมันชอบผุดขึ้นมาในขณะที่แบบเรามีความหวั่นไหวอะไรหลายๆบางบางบางเรื่องะค่ะพระอาจารย์แล้วมันยังอยอมรับไม่ได้ก็ต้องมาพนะยายามทำสมาธิให้มากข <ภา S 2> ึ้นค <พา S 1> ่ะพระอาจารย์ คือต้องนะมันก็จะรับมันก็ยอมรับได้คือมันต้องใช้เวลามากๆเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์เพื่อให้เกิดอุเบกขาเยอะๆใช่ให้มันมีอุเบกขาข้นมแล้วมันก็จะรัได้ค่ะก็คืออุเบกขาจากการนั่งสมาธิจะเป็นตัวที่กําจัด<ม>อันนี้ได้ถาวรใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ใชพร้อมกับปัญญาพร้อมปัญญาว่าเาต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ ก็ลูกก็มาคิดอะค่ะก็คิดตลอดคิดให้มันเป็นปัญญาแต่บางทีมันก็กลับมาเป็นสัญญาลูกก็เข้าใจอะค่ะก็มันก็เป็นตัวกระตุ้นอย่างหนึ่งลูกก็คิดว่าเอองั้นเราก็ต้องปฏิบัติเยอะๆเพื่อให้เราได้มีอุเบกขาค่ะพระอาจารย์คิดอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมคะใช่ต้องพยายามทําสมาธิให้ได้ปัญญาที่เราที่เราใช้นี่มันก็จะทํามันก็จะยอมรับปัญญานะ ตันนี้จิตมันรับปัญญาไม่ได้เพราะมันนี้กิลเลสคอยขว้างอยู่ค่ะพระอาจารย์แล้วอย่างเวลาที่บางทีลูกนั่งสมาธิะค่ะในขณะที่จิตมันนิ่งอะค่ะพระอาจารย์บางครั้งมันก็มันก็มีเสียงมันบางครั้งมันจะได้ยินเสียงรอบตัวคะ่ะแบบแต่บางครั้งมันก็ไม่มได้ยินขอให้ใจเราเฉยๆก็รับกันอ๋แล้วไม่มีก็ใหเราว่าเฉยๆครับคือมันขึ้นอยู่กับความนิ่ง ของเราวันนั้นใช่ไหมคะบางครั้งลูกรู้สึกว่าลูกจะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงค่ะอไม่เป็นไรนิ่งแบบไหนก็ได้นิ่งแบบได้ยินเสียงก็ได้นิ่งแบบไม่ได้ยินเสียงก็ได้เอาเป็นว่าให้เรารู้สึกว่าเราแบบใจเบาสบายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์รู้สึกมวยกับเสียงที่เราได้ยินค่ะคือคือเวลาสมมติว่าเวลาลูกนั่งนะลูกจะนั่งประมาณสักหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้ค่ะคือเวลา การนิ่งการที่แบบจิตเราเริ่มนิ่งเนี่ยบางทีขึ้นอยู่กับความฟุ้งซ่านของเราแต่ว่าเวลาพอเรานิ่งแล้วเราเราออกมันเหมือนเรามันจะสมาธิมันจะหลุดออกมาแต่ลุกก็ไม่ได้ลุกก็นั่งต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าคื อ, ค, อคือพอรอบรอบที่สองรอบที่สามนี่มันมันยากมากค่ะพระอาจารย์ที่มันจะนิ่งเหมือนตอนรอบแรกอ๋อะอาจารย์ อ, อันนี้<ช>เป็นเรื่องเราใช้สติใหาเป็นตัวเราคํากำงสติมันไม่ปรพอสู้กับกิเลส ค่ะพระอาจารย์แล้วถ้าถ้าถ้าถ้าถ้ารอบที่สองที่สามนี้เราเรารู้สึกว่าเราแบบจิตเราฟุ้งซ่านะคะ่ะเราจากที่เราดูลมเนี่ยเราจะเปลี่ยนมาเป็นแบบใช้พุทธโธได้ไหมคะ่ะในรอบที่เราหน้าดูลมหายใจไม่ได้ครับพุทธโธนุยยันดูอาการฐานรูปสองไปก็ได้ผมถอนไปหรื อ, อจะทําเรามีความแก่เป็นธรรมดาท า, ามีความเจ็บเป็นธรรมดาที้ก็ได้ค่ะ ส่วนใหญ่สเต็ปของลูกลูจะบอกว่าก็คือส่วนใหญ่จะแบบดูลมก่อนนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันหลุดแล้วมันฟุ้งซ่านลูกก็จะใช้พุทโธถ้าพุทโธไม่อยู่มันฟุ้งซ่านอีกลูกก็จะใช้บิเตะปิโศที่มันยาวกว่าะคะ่ะอาจารย์แล้วแล้วถ้าถ้าถ้าหลังจากนั้นรู้สึกว่ามันมันอาจจะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือมันนานแล้วเราเรารู้ว่าจิตเราเริ่มเบื่อะะแล้วค่ะอาจารย์ก็จะผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วเราก็โอเคละคือแบบ คงพูดกับตัวเองนั้นก็คือน่าจะออกจากสมาธิแล้วคาา่ะพะอาจารยก็เลยลุกขึ้นมาเดินจงกรมอะไรแล้วก็อย่างนี้ได้ใช่ไหมคะคระอาจารย์ได้ทำไปตามกาลังของเร า, าไปดังมุทะลุทาในในสิ่งที่เราทําไม่ได้แล้วมันจะทําให้เราแปลงความท้อเป็นมค่ะค่ะพาาระอาจารย์ลุกก็ไม่มีอะไรคะ่ะมีคําถามแค่เนี้คาายค่ะพระอาจารย์พยายามไปก็แล้วกันนะทํามีก<ข>็ตอบค่ะ ขอให้พระอาจารย์ท่าขันแข็งแรงนะคะเสียงพระอาจารย์ดีขึ้นแล้วค่ะเหมือนเดิมแล้วค่ะเหมือนเดิมนะค่ะเหมือนเดิมแล้วค่ะก้นเก่ากลับมาแล้วก้นเก่ากลับมาแล้วตอนใกล้ๆเสียงแบบเสียงแบบเสียงแบบหนุ่มมากเลยค่ะค่ะพอดีนะเสีหนุ่มน่าจะกลับไปเป็นหนุ่มก็ได้พอดี ยังไงก็ได้ค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์มีเสียงมามาที่ห้องสุ่มทุกทุกครั้งนะคะค่ะอาจารย์ค่ะขอให้พระอาจารย์ท่าขันแข็งแรงค่ะสาธุไปที่บ่าวินชลเมลยุทธวัฒนากลาวธรราสการพระอาจารย์ทุกค่ะวันนี้เข้ามากล่าวพระอาจารย์แล้วก็เข้ามาร่วมฟังธรรมก็ตามยามดีอ่ะโอเคอิร์โฮยูเอสเอคุณทิพวรรณ ยังไม่พร้อมค่ะพอาจารย์ค่ะเข้ามานั่งค่ะ<า>เคยมาใส่มา ท, ที่ที่บ้านบ้านอำเภอใช่ไหมไปสองครั้งเจ้าค่ะค่ะไม่มีอะไรนะก็อย่างที่ใครกล่าวเรียนพราจานะคะมีมันก็อยู่ที่ตัวเองหมดเลยอะค่ะมันก็รู้ว่าเราไม่พร้อมเราทําไม่พอขาดความเพียร เราก็สติไม่ตั้งมั่นมาสั้นๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือต้องพยายามต้องพยายามตงต้องเพ <ทำ S 1> ิ<ห>่มความพยายามค่ะ <Okay. S 2> มามถามไปก็เข้าตนเองนะคะอย่าทา้อก็แล้กันพยายามทำไปได้เลยตามกำลังของเเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ okay. ไปได้คุณหยนะินนะง่ายพอน กับเดพิการพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะตูปโปรดจับพระอาจารย์เร็วมาเร็วพระอาจารย์วัน ล, ลูกสาวคนโตค่ะพระอาจารย์อ่ามันดีจ้าเป็นไงคะบอกพระอาจารย์เลยคะเป็นไงสบายดีคะ่ะมาเนี่ยรียนหนังสือจบแล้วหรอเล<อ>่อ๋อทางานแล้วค่ะทำงานแล้ลูกสอ ง, งแล้วค่ะพระอาจารย์ยอมถึงเป็นอาม่าแล้วค่ะ ใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะก็มากราบพระอาจารย์มาฟังธรรมพระอาจารย์ค่ะสรทาพระอาจารย์มากมเลยค่ะพระอาจารย์จําลูกศิษย์พระอาจารย์ได้กับทุกคนเลยเจ้าค่ะมันมีชื่ออยู่ข้างล่างไ่ะได้ดูไยค่ะเวลาไปพระอาจารย์อ้ายมหญิงเหรออะไรก็ค่ะระโคมหญิงใจฟูมากเลยค่ะพระอาจารย์กราบพระอาจารย์ท่านเจอกันบ่อยๆนี่ก็ไม่ลืมค่ะพระอาจารย์เยมหนิงปฏิบัติอยู่ค่ะกําลังบอกให้ลูกสาวอะค่ะปฏิบัติอาจารย์ เปิดนั่งสมาธิบ้างข้างละห้านาทีสี่นาทีก็ยังดีนะค่พยายามเริ่มทำเลยแล้เดี๋ยวตาอมามันก็จะทําได้มากเองค่ะไว้ใจไหมค่ะค่ะกลับน้ำสักการัะค่ะอาจารย์คนเดิมกลับมาแล้วจ้ะข่ะเสียงเดิมแล้วจ้ะค่ะใช่ถูกไปที่คุณยินดีตอนคุณยินดี สวัสดีค่ะท่า น, านอาจารย์ก็ได้รับฟังบอกบอลชั้เตค่ะท่ า, ทา น, านอาจารย์ขอบคุณค่ะท่านอาจารย์นะเออนุกมีคำถามถามคำหนึ่งอะคะ่ะคำถามหนึ่งอะคะ่ะคือด้วยความที่ว่าได้ยินพี่คนหนึ่งอะคะ่ะเขาพูดว่าเขาปรารถนาพุทธภูมิเขาไม่ปรารถนานิพพานเพราะมันยากลูกก็เลยแบบ อยากจะให้อาจารย์ไขข้อสงสัยตรงนี้ค่ะว่ามันคืออะไรคะท่านอาจารย์เขาไม่เขาไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรไพุทธภงศ์กันนี้ผ่านการเดียวกันอ๋อเหรอคะท่านอาจารย์ค่ะพุทธภงม์นี้ต้องทําเองไม่มีใครสอนส่วนถ้าถ้าเป็นสาวกนี่ก็มีพระพุทธเจ้าสอนง่ายกว่าอย่างพวกเราเราเนี่ยไปนิพพานด้วยการเป็นสาวก่พระพุทธเจ้านี่ต้องไปนิพพานด้วย ด้วยวยพุทธภูมเพราะตัวเองไม่มีใครสอนต้องสอนตัวเองอยากกว่าหลายล้านเท่าค่ะก็คือแล้วคนที่เอ่อคนที่ไม่สามารถสอนตัวเองก็คือปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ไม่ใช่พระทุทเจ้าเราสอนตัวเองให้เป็นพระพุทธเจ้าเปียแต่ไม่สอนอคนอื่นไม่สอนคนอื่นค่ะใช่ค่ะเ้าใจค่ะค่ะท่านอาจารย์ ขอพระคุณมากเลยค่ะท่านอาจารย์เ <Okay. S 2> ขอพระคุณมีอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์พิชญ์เนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าปฏิเจการพุทธเจ้าในพระอารามก็ไปนิพพานอันเดียวกันเป็นตามวิธีไปต่างกันเท่านั้นเองค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอพระคุณขอพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะโอเคไปที่คุณชายอย่างนี้หน่อย ก่อนไปก่อนจะกลาวมามาสการเจ้าค่ะไปยังไงพระอาจารย์เจ้าค่าไไะ ค, คือหน่อยจะเจออยู่ตลอดเลยเรื่องที่คืออาจจะเป็นเพราะว่าความอยากไม่ให้เขาถานอย่างนี้ละมั้งเจ้าค่ะก็คือจะโดนถามตลอดว่าทําไมไม่มีลูกทําไมไม่จัดงานแต่งงานอะไรอยาคะทำไมไม่บวชสามีไม่บวชอะไรอย่างเงี้ย ก็อลองถามว่าทําไมต้องมาเสือกด้วยคะคือบางทีก็เป็นคนใกล้ตัวนะจ๊ะค่ะเราก็าไม่ เ, ไมเรื่องของชาวบ้านามันไปยุ่งกันเรื่องขอ ง, ของเราไม่ไปยุ่งกับเรื่องของคนก็มายุ่งกับเรื่องของเราทําไมคนอย่างนี้มันต้องพูดให้มันชัดๆไปเลยมันจะได้หยุดถามทีจริงๆคือคงเห็นว่าหน่อยเอาหลานมาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงแมวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะค่ะเขาก็เลยอยากให้มีลูกเป็นของไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะค่ะ เพื่อจะพูดง่ายขอสมวนไม่ตอบก็แล้วกันคาถามในคําถามนี้เ้าไม่อยากจะตอบก็บอกขอสมวยคําตอบก็แล้วกันสตัวพลังส่วนตัวไม่อากจะบอกใครเจ้าค่ะที่จริงไหน่ก็เป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะแต่ว่าก็จะโดนถามมาอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยนะเจ้าค่ะตั้งแต่แต่งงานมาคือก็ไม่ได้จัดงานแต่งงานอะไรก็อยู่ด้วยกันแล้วก็จดทะเบียนธรรมดาเนี่เจ้าค่ะ ก็ก็ไม่ได้ห้ามปากของคนอื่นเขไม่ได้เขาจะถามก็จะว่าเราห้ามไม่ได้แล้วก็อย่าไปทุกข์กับคำว่าแล้วกันก็พยายามจะไม่ทุกข์นะคะแต่ว่าคําถามมันจะเข้ามาตลอดจะแสดงว่ากิเลสตัวนี้น่าจะแรงใช่ไหมเจ้าคะใช่นอก็คงอยากจะให้เขาพูดดีๆพูดในเรื่องที่เราอยากจะให้เขาพูดขอกพูดเรื่องที่เราไม่อยากจะฟังแล้วก็ทุกข์เจ้าค่ะ เราก็ต้องยอมรับความจรงว่าเราเราเลือกไม่ได้เรื่องคำพูดบาคนบาคนก็พูดดีเราคนก็ไมาพูดไปดีบาคนก็มีมารยาทบางคนก็ไม่มีมารยาทแต่เราไม่ต้องไปไม่ขอยต่างเราถ้าเราไม่อยากจะตอบแล้วก็พูดดีๆเขาไม่ไม่ขอไม่ตอบอะไรกันเทงนี้เจ้าค่ะก็ก็คือเขาพูดในสิ่งที่เราไม่อยากจะยิน ถูกต mm ้องไม่ต้อาคะใช่เรายังมีความอยากอยากได้ยินเรื่องที <stimulation> ่เราชอบเรื่องที่ไม่ชอบเราพอได้ยินเราก็จะทุกเราต้องยามแล้วว่าอยู่ในโลกนี้มันมีแง่เรื่องที่ชอบไม่ชอบมันต้องเข้าหาเราเจ้าค่ะอมถ้าตั้งใจปฏิบัติชาตินี้ไปนิพพานได้ใช่ไหยเจ้าค่ะได้พระเจ้าบอกเจ็วันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี่ก็ไปถึง แตถ้าปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานศูนย์ได้แล้วจะเจอพระพุทธเจ้ากับเจอพระอาจารย์ไหมจอยก็เหมือนกันใจของพที่เราพอเราถึงที่ผ่านใจของเรากระจายพระเจ้าก็เหมือนกับแปะเหมือนกับพ้าแผนอะไรน่เหมือนเจอกันแต่ตอนที่ไหน่อยนั่งสมาธิเข้าไปในสมาธิลึกๆเห็นแต่ความว่างนะคะพระอาจารย์นั่นแหละก็คือใจของคนที่ไม่มีมมนิจิเลก็ว่างอย่างนี แต่ก็เข้าได้ไม่นานเจ้าค่ะมันก็เด้งออกเหมือนที่ใ<ห> น, นเคยบอกอกิเลส ม, มันเริ่มออกกำลังกายมันก็เลยดันเราออกนะต้องพยายามสู้เข้าไปให้มีสติมากๆให้มันมีกำลางกัมาลางมากขกึ้นกิเลสเจ้าค่ะช่วงนี้ก็มีสติน้อยเจ้าค่ะบางทีลืมตัวนึกได้ออกํากลังอาบน้ำกำลังทําความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอ๋ออาจารย์เจ้าค่ะอย่าง อย่างหน่อยเป็นคนทําความสะอาดบ้านเอง <c oughs> แล้วทีเนี้ยบางทีอ่ะก็คิดอยงนะจ๊ะเจ้าคะว่าเราเราจะไม่สมัรถาถ้าเราจ้างแม่บ้านที่จริงจ้างอยู่จ้ะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยเจมแมงมุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบทําความสะอาดสรุปคือจ้างแม่บ้านดีกว่าใช่ไหมเจ้าคะเราจะได้ไม่ต้องคาย <c oughs> มันก็เริ่องี้ไม่เป็นประเด็นสำคัญเนอะถ้าทำเองได้ก็ดีมันก็เป็นทําให้เราเป็นคนขยนันไม่ขีดขานทำเองได้ดีกว่าไอ้เรื่องเหล่านี้เราก็ระวังห่อยเวลาเราทำก็เห็นม่ยมุมก็พยายามใช้ใช้วิธีการนุ่มๆนวลๆกมั น, มนมอย่าไปทำให้มันพรอาจารย์จะตายง่ายมากเลยเจ้าขาจับนิดเดียวก็ตายแล้วก็เราค่อยๆทำนะครับอรู้มันมันตายง่ายจีต้องระมัดระวัง คอยใช้เงินเบาๆดึงออกมาจ้าค่ะกาสติไปในตัวในการฝึกสติไปใลตัวใช่ค่ะการระมัดระวังเนี่ยมันต้องใช้สติมากกว่ากลัวทําเขาบาดเจ็บแล้วแบบเขาตายเพราะเราอย่างเนี้ยเจ้าค่ะถ้าไปโยนบาปไปเลยก็ไม่ถูกไม่ใช่คนกระทแล้วก็มันก็ไม่พ้นเลย ก็ที่จริงถ้าไม่ทําตรงนั้นเลยเขาก็จะทําแบบว่าเป็นโอ้โหลังเขามาเลยนะเจ้าค่ะก็ได้แล้วก็ใช้ไม้ค่อยๆค่อยๆลื้อมันออกมาไม่ต้องไปโดนตัวมันเลยเจ้าค่ะแต่ถ้าอย่างเห็นหมดอย่างเงี้ไม่กวาดกวาดไปอย่างเงี้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะถ้ามันไม่ตายก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ตายเจ้าค่ะมไม่ตายไม่เป็นไ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําให้เขาตายหรือเปล่าเราเป็นสาเหตุนเนี่ยก็คิดมากไปอีกนะจ๊ะท่ะออย่าไปคิดมากเกนะินไปนะเห็นว่าันอาที่เราก่านไม่ตายก็โอเค <c ười> จ้าค่ะก็มีคําถามแค่นี้เจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์ทัน แ, แข็งแรงนะจ้าค่ะถ้าทําไปได้ทาดําไปดีที่สุดอันใต้เหี้ยตโนนาถึง <c ười> ไปไดเรื่อยสุอีกนิดหนึ่งจ้าค่ะอาจารย์คือพอดีหน่อยเป็นคนที่แบบว่า คือใครทําอะไรมันไม่ถูกใจอ่ะคอย่างทําความสะอาดบ้านนี้ต้องทําเองล้างรถนี่คือโดดฝนต้องแบบโดูดเองอะไระอย่างเงี้ยเยอะเป็นเกินของเรารต้องทําเองจ้ะค่ะ <c oughs> ยินดีจ้ะค่ะทําได้จ้ะค่ะก็ทําไปเปนการฝึกความเพียรสร้างความเพียรวิริยะขึ้นมจ้ะค่ะมาสร้างสติขึ้นมานใช่จ้ะค่ะทําแล้วก็รู้ว่าตัวเองทําความสะอาด แต่ตรงที่ว่ามันไม่ได้สมาธิเพราะเราไม่นิ่งเจ้าค่ะแต่ว่ารู้ว่าตัวเองทําอะไรก็สติอย่างน้อยน้องทำเสร็จแล้วก็มาลรานั่งสมาธิต่อหนึหลับเจ้าค่ะเพราะว่าร่างกายออกลังกายอีกแล้วก็แวดลราตอนที่ไม่ง่เราเรามันได้ไหมเจ้าค่ะช่วงนี้ก็พยายามนั่งสมาธิช่วงเช้าส่งเด็กไปโรงเรียนเจ้าค่ะก็ทําำจะทําไม่ได้เจ้าค่ะ ทำไปเรื่อยมันต้องได้ถ้าเราตั้งใจจริงอยกจะได้มันต้องได้มีอะไรที่มันไม่ที่เราต้องการมันไม่ได้มันไม่มีหรอาข้าพย า, ายามจริงๆคุยกับพระอาจารย์เวลาเข้าซูมมีแต่ความรู้สึกผิดนะท่านพระเจ้ค่ะเพราะว่ามากสุดก็ได้ศี่ห้าบางทีก็สมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างตกหลุมตกบ่อสารพัดก็ ก็อาจารย์พระอาจารย์ก็ยังอุตส่าห์เข้ามาสอนทุกสัปดาห์ตอนนันต้องสอนอะ่ะมันมันก็มันก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆในที่เรายังทําไม่ได้พยายามแก้ไขไปจะค่ะไหนก็จะพยายามทําไม่หยุดจะค่ะเพราะว่า อ, อ, อย่างที่พระนายบอกว่าในเห็นพระาจารย์เป็นไอดอลก็คือพระจารย์ไม่ได้ได้อะไรเลยไปบิณฑบาต ท, ทุกเช้าเข้าซูมมาสอนทั้งๆ ท, ที่แบบ ลูกศิษย์อย่างหน่อยดีก็ได้มั่งไม่ได้มั่งเขาไม่เป็นไรก็ทําแผนเรามีหน้าที่สอนก็สอนไปคุณมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปก็แล้วไปไม่ต้องกังวลเจ้าค่ะหนก็พยายามปฏิบัติบูชานะเจ้าค่ะให้ทําำําฝ่ายทําหน้าที่ก็ตอนให้สมบูรณ์เ้ายโอเคเจ้าค่ะโอเคนะจ้าเจ้าค่ะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะไอ้ที่คุณดัลิตาต่ออยู่ดัลิตาแบบ ทังเส็จตัวเล็กไม่นป็นอาจผิดขอัยด้วยน้อมกับสวัสดีพระอาจารย์น้องการนวัตการพระอาจารย์เจ้าค่ะชื่อลลิตาใช่ไหมใช่เจ้าค่ะโอเคมีอะไรอยู่ที่ไหนอยู่โคราชเจ้าค่ะโคราชเจาค่ะคะำถามยาวแบบโรลๆนะครับเอาพอประมาณนะเจ้าค่ะออนั่งสมาธิแล้วมันเริ่มเห็น ขามันกับมือมันแยกออกจากตัวเจ้าค่ะแล้วก็บางทีมันเห็นเวทานาทางกายมันอยู่ในขาก็มองเฉยๆได้มันบางทีมันเหมือนเป็นมวลเป็นก้นกอนๆอยู่ในขามันไม่ได้เจ็บทั้งขาแต่ว่าบางทีก็จะพยายามมองเฉยๆล้วก็ไม่ไม่ขยับไม่ไปยุ่งกับมันอย่างนี้ถือว่าทรมารร่างกายไหมเจ้าค่ะไม่อย่าไปสนใจเวลานั่งสมาธิ อะไรจะเกิดขึ้นมาให้อยู่กับพุโทโธไปยันดีกว่าหรือยู่กับลมหายใจไปยนดีกว่าอะไระเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับลงมาไปเองไม่ต้องไปคำนต้องค่ะแล้วทีนี้ตอนหลังมันมันเริ่มเห็นเวทานาทางใจสลับสลับกันเยอะขึ้นแต่ว่ามันมังงกับ สัญญากับสังขารเหมือนสังขารมันจะยุ่งมากเลยนะค่ะแล้วก็มันมีการปามาิพากแล้วมีความคิดอกุศลขึ้นแต่ว่าเมื่อก่อนที่มันจะเป็นมันจะเป็นความคิดอย่างเงี้ยมันมันจะหยุดประมาณช่วงบนบนแต่ว่าพอตอนหลังความคิดมันมันจะมีทั้งเราพยายามคิดเองแล้วก็เรามันผุดขึ้นมาเองอยู่ช่วงประมาณอกประมาณใจอย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้มันมันมีความคิดอกุศลขึ้นมาเยอะเหมือนกันเราสามารถปล่อยไปได้เลยไหมเจ้าค่ะนักคนจะหยุดมันด้วยพุทโธดีกว่าปล่อยให้มันก่อนขึ้นมาปล่อยมันเดี๋ยวมันก็คิดยาวไปเรืเลยๆมัไม่มีวันหยุดอ่ะเอามันแล้วมคิดอกุศลก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปดีกว่าอ๋อเจ้าค่ะแล้วก็ เหลือมีเห็นแต่อนิจจังแล้วก็ข้ามไปเห็นอนัตตาเลยเจ้าค่ะมันไม่เห็นทุกขังต้องทําไงให้เห็นเจ้าค่ะก็แล้วแต่เราเรามองตอนไหนเห็นมีจังอะไรเห็นอะไรเป็นอนิจจังเหรอเห็นเงินหายนี่เป็นอนิจจังหรือเปล่าไปรัเงินหายนะนี้เวลังเงินหายเป็นอนิจจังหรือเปล่าเวลาหายเวลาเงินมันหาย เวลาเงินชูเขาขโมยไปเนี Man, uh, well, ่ยมันหายไปหรือเปล่ามันน่เป็นอักนิจจังรือเปลเป็นเจ้าเหะแล้วทุกข์หรืเปล่าทุกทุกก็ทุกเจ้าค่ะอนั่นสิแต่ทุกสิ่งมันเป็นอักนิจจ์เราไปมองในสิ่งที่มันไม่ทุกข์มันก็ไม่ทุกข์สิเราไปมองของที่ไม่ใช่เป็นของเรามันก็ไม่ทุกข์สิไปมองบ้านคนอื่นไฟไหม้แล้วก็ไม่ทุกข์เลยเพราะมันไม่ใช่ของเราจะไปมองแบบนั้นหรือเปล่า มองว่าเขาเป็นอนัตตาไม่เขาเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่เขาจะไหม้ว่าเราก็ไม่ทุกขก็สิมันต้องมองของเราสิมองอะไรที่เป็นของเราพอที่ไปอ่านนิยามมาแล้วเขาแปลว่าถูกบีบคั้นให้แตกสลายเลยไม่รู้ว่าทุกขังเป็นยังไงแล้วค่ะไมใช่ไมใช่ถ้าว่าทุกข์ขังคือไม่สบายใจเสียใจเศร้าใจเจ้ค่ะ ไม่รู้อนักวิชาการพวกนี้ศึกษามากจนเกิดไปไม่เคยปฏิบัติเลยหรือไม่รู้คําว่าทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือความไม่สบายใจความเศร้าโศกเสียใจความอะไรเอางอนความเครียดอะไรเนี่ยแความทุกข์นั่นแหละแปลภาษาพิสดามันมันก็คือตัวใครมันจะเหมือนตัวเดียวกับทุกทุกในอริยสัจไหมเจ้าคะอันนั้เนี่ยเรียกวเรียกว่ทุกขอริยสัจ ต่างจาทุกทางร่างกายทุกร่างกายแล้วปวดหัวตัวร้อนเนี่น ย, กกยป็นทุกทางร่างกายแต่ใจไปทุกข์กับมันด้วยก็เป็นทุกข์ทางอริยสัจเพราะอยากอยากให้มันหายอยากให้มันไม่เป็นมันก็เลยทุกข์ทางใจด้วยทุกข์อริยสัจเป็นทุกข์ทางใจเจ้าค<อ>่ะอเคนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะ เข้าใจแล้วอาจารย์ทุกข์ขมหน้าตาใช่ไหมมันต้องมองที่สิ่งที่เราถือว่าเป็นของเราเนี่ยเวลามันหักมันายมันมันหายไปมันหมดไปมันก็จะทําให้เราทุกข์เจ้าข่ะขอให้พระอาจารย์สุภาพแข็งแรงเจ้าข่ะสาธุอาจารย์ไปสุราษฎร์ธานีคุณก้องก้องี่ชื่อไหนกันแน่ทั้งทั้งสองคำเลยชื่อกับพี่ก้องเลย ใชครับตอนตอนเรียนเพื่อนตั้งให้ครับชื่อกอบครับอาจารย์อาจารย์นี้เราเป็นกับที่ได้ครับอาจารย์ได้นะครับเขาเขาเรียกแล้วเราเรียกอะไรว่าไงกอบครับกอบนะครับกอบก็ก็ทั้งที่อาจารย์ถามถึเป้าหมายนี้การปฏิบัตินะครับเป้าเป้าหมายของผมก็คือว่าโลกประทัแปดครับก็คือว่า เออคืออยู่ในโลกแล้วก็โดนกระทบหนึ่งใช่ครับเอออยู่เราเราไม่หวั่นไหวทีนี้โลกกระทำแปดออปลาที่ไม่ดีโดยได้ได้ไ ด, ได้รับมาได้รับมาบ้างครับแต่ว่าช่วงนี้มันจะเป็นโลกกระทำปลายดียครับอาจารย์ก็เราก็เจรนาครับแล้วก็คือเราก็ต้องรักษาไปเองไม่ให้หลุดแบบว่าตวลาเจอปัญหาเจอเรื่องอะไรครับเรื่องดีก็าตามไงครับเราก็ต้องขับเคลื่อนมาอันนี้จังผู้ขาหน้าตาหรือว่าแบบ ถอนใจมันเริ่มรู้สึกอยากมันฟูในทางโลกแล้วก็แบบเอาทํำมาช่วยแล้วนครับแต่ว่าผมผมไม่ไม่รู้ว่าจะขยายว่าเอยเวลามันดีใจหรือว่ามันได้ราบหรือว่าแบบได้จิติสัชลิติคุณเนี่ยเราต้องทอํายังไงบ้างครับก็บอกว่าเป็นเขาไม่เที่ยงไลยมีได้ก็มีเสียเดี๋ยวไม่หมดมันไม่เช่นจะได้ตลอดเวลาใช่ไหมใช่ แต่แบบถือถือฝ่ายฝ่ายไม่ดีเราไม่ค่อยกลัวแต่ฝ่ายดีมันรู้สึกน่ากลัวกว่าเอาวิญญาณเตืนตัวเองเวลาได้อะไรมาก็อย่าหลงเรื่องที่มันได้มาเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันหมดไปพื่อเพื่อที่จะให้เราอยู่ได้คือไม่วันไหวแม้ขึ้นลงมามาให้เราไปดีใจเสียใจถ้าเราดีใจเราก็จะเสียใจถ้าเราไม่ดีใจเราก็ยังไม่เสียใจอ๋อเวลามันจากเราไป นันเคยใส่ทูกใช่ไหมครับอืมต่อทีก็ประมาณนี้ครับโอเคสัมผัดเับโลกธรรมแต่ไม่ไปดีใจไม่ยินดีร้ากับมันมันจะมนก็มามันจะไปก็ให้มันไปสรรเสริญ ม, มันยาให้มนมีทั้งสรรเสริญมีทั้งนินทางห้ามมันไม่ได้แต่ทำให้ใจเป็นกลาง โอเคน ะ, คะผมไปไปฏิบัติขอบไปที่ราทิวาสอีกครั้งหนึง่งคุณมาลยกาไปยังไงสรรมสานเจ้าขามั่อาจารย์ค่ ะ, คะอยู่พะลาเภอกับคุณอุตสาเลอเจ้าค่ะลูกอยู่อำเภอละแ ง, งค่ะละแงคุณอาคุณอาอุสาอยู่อำเภอแว ง, งค่ะแหวจะ ลูกก็ปฏิบัติอยู่นะคะแต่ว่าพออยู่บ้านใหม่นี้ก็ได้ดูแลคุณพ่ออย่างเต็มที่ก็คือคุณพ่ออายุ80 87ก็มาอยู่ที่นี่อ๋องดังนั้นเวลาตอนกลางคืนแม่และพ่อพ่อจะหากระถนินไม่ไม่เจอนั้นเวลาค่ะต้องลกูกต้องลูกขึ้นแล้วต้องดูแลพ่อตรงนั้นก็คือเราจะได้ทดสอบใจของเราว่าเวลาเราไม่ได้ดังใจอ่ะเราเป็นยังไง นะคราจารย์ในนี้ก็คือตัวทดสอบได้เยอะมากพยายามฝึกฝึกแล้วก็พอตอนสุดท้ายลูกก็บอกว่าอืมพ่ออาจจะหลงเพราะว่ามาอยู่ที่นี่ยังปรับสภาพการอยู่บ้านใหม่ยังไม่ได้บางครั้งก็สลับนอนสลับหัวมึนเอาหัวไปทางโน้นพอตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาหัวมาทางนี้ไม่มีหมอนแล้วก็เต็นทหนึ่งท่านก็คุณพ่อก็เอาหัวไปทางโน้นก็ทหลังก็แบบว่าเออเราบังคับไม่ได้ ก็คือผ้าจา์บอกว่าให้หยุดบ้างเพราะว่าบางครั้งเราก็จะไปบังคับพ่อก็ไม่ได้เลยก็ไม่ได้ก็นั้นแล้วลูกก็สามารถที่จะหาเวลาตรงนั้นก็คือได้หลับโดได้หลับแล้วก็ลูกก็ได้สามารถตื่นขึ้นมาตอนะมาธิสองดีสามีนช่วงนั้นลูกจะได้มาปฏิบัติได้ช่วงนี้เพราะว่าได้ปฏิบัติได้แล้วตอนนี้ก็ว่า ชินกับสภาพของคุณพ่อได้แล้วทีนี้ก็ราาาับผิดชอบถามว่าการทําอย่างนี้นั้นทุกทําถูกไหมที่ว่าหมูมันที่ว่ามันล่นเลยที่ว่าการปฏิบัติการเจริญสตินั้นน้อยมากยมรับใช่มันอยู่ในสภาพที่บังถูกมันข้าให้ต้องดูแลพ่อแมก่ก็ต้องดูแลแต่ก่อนแล้วก็ทําปฏิบัติสวยเราได้มากน้อยก็ทําไปเจ้าข่ า, า, าวผ้าจันตอนที่เราเป็นเด็กพ่อแม่เขาต้องดูดูแ ล, แลเราใช่ไหม ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ลูกพยายามฟื้นสติของพ่อขึ้นมาก็คือให้คุณพ่อสวมดมนต์ตอนชาหรือก่อนนอนจะนั่งจะนั่ ง, จ ะ, งจะนั่งเป็นเพื่อนของคุณพ่อแล้วก็ให้คุณพ่อสวมดมนต์แล้วก็ก่อนนอนก็ดีก็ดีทาไปร่วมกันเจ้าค่ะไม่มีไรใช่ ค่ะไม่มีค่ะแล้วก็ก็คือพยายามที่จะน้อมนําคันสนของผ้าอาจารย์มาปฏิบัติอยู่นะคเจ้าค่ะใช่โอเคไปที่ขอนแก่นนะการสายที่เป็นยังไงนะ้อมักการ์ผ้อาจารย์ต้องค่ะวันนี้อยู่ขอนแก่นต้อค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่กับความเจ็บป่วยได้ค่ะผ้าอาจารย์เรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา <c oughs> เปิดตามข้อแล้วก็ได้ลองทานยากดภูมิค่ะอยู่ๆก็ป่วยนะคะพระอาจารย์ก็เห็นความความเสื่อมของร่างกายที่ที่ไปได้ได้ไวค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะอืม ค, ค่ะอีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้รู้สึกเห็นตัวเองเดิมคิดว่าคนอื่นมีอัตราตัวตนสูงแต่ตอนนี้เห็นอัตราตัวตนของตัวเองสูงมากเลยค่ะพระอาจารย์ เวลาที่คนอื่นเขาทำอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเขาทําไม่ถูกแล้วก็เขามาว่าเราเราก็อยากจะชี้แจงแต่ในขณะที่ชี้ที่เราชี้แจงใจเราก็เห็นว่าไอ้ й, นี่เรากําลังแบบมีอัตราตัวตนสูงอยู่นะอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะรู้สึกพร้อมๆกับที่เราชี้แจงหรืออธิบายหรือว่าเหมือนก็คงจะเหมือนเถียงเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยเห็นว่าเอ้ยอัตราตัวตนของเรานี่มันมันมันเยอะมากเลยอะไรเงี้ยค่ะพระอ า, าจารย์เราจะทํายังไงดีคะพระอ า, าจารย์ อมันต้องใช้เหตุผลถ้าจำเป็นจะต้องชี้แจงก็ชี้แจงไปถ้าไม่มีความจำเป็นก็เฉยๆไปไหวก็ว่าไปอย่าไปสะทกสะท้านกับคําวิพากษ์วิจารณ์ของเขาแต่ถ้ามีความจําเป็นจะต้องชี้แจงก็ก็ชี้แจงไปถ้าชี้แจงได้ถ้าก็ยินดีจะฟังถ้าก็ไม่ยินดีจะฟัง ก, จก็จบเฉยๆไปถ้าเฉยๆก็ตัวต้นก็หายไปไม่ไปตามตรง ก็คือถ้าถ้าถ้าตามเหตุตามผลว่าถึงที่แจงไปก็ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ชี้แจงดีกว่าใช่ไหมคะอารย์ใช่ถูกต้องแต่เขาไม่ยินดีฟังพูดไปก็เหมือนกับเทน้ําใส่หนังหมาเข้าใจไหมเป็นเทน้ำใส่หนังมาหมาถ้าบ้าที่ไม่หมดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นเหมือนการเถียงไม่ใช่ชี้แจงก็ไม่ไม่ทำดีกว่าใช่ไหมคะอาจรย์ใช่ถูกต้องเพราะชี้แจงกับเถียงมันก็ใกล้ใกลกันก็ต้องดูดูดู ว่าเขายินดีรับฟังข้อชี้แจงของเราเหรืไม่ถ้ก็ไม่ยินดีก็อย่าไปเสียเวลามเฉยๆไปคนะไม่จะว่าไะไรก็ว่าค่ะเราก็เหมือนเห็นเห็นใจเราด้วยค่ะว่าเราเรานี้อยากจะชี้แจงแต่จริงๆเราไม่ชี้แจงก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยในความรู้สึกตอนที่พูดไปก็อัตตาตัวตนเราเจอนักนะแล้วก็ลดอัตตาตัวตนเร า, ท, า, ท, าที่เวลาเป็นคนรับใช้เขาเพราะฉะันเขาจะพูดเขาจะดา่าเขาเป็นเจ้านายเราเขปล่อยเขาพูดเขาด่าไป เรเป็นรูจกจ้างนะรับฟังไปเฉยๆไปหนูน่าจะมีตรงนี้ปัญหานี้น่าจะจะเยอะอยู่เพราะว่าเราคิดว่าพอเราถูกเราก็จะจะจ ะ, จะเหมือนจะไม่ยอมจะชี้แจงอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็าเลยเห็นแล้วว่าเออไม่อันนี้ไม่ดีแฮอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ถ้ามันถูกถ้ามันก็ถูกก็ต้องก็ถูกถ้าต้องชี้แจงก็ต้องชี้แจงแต่ถ้าชี้แจงไม่ได้ก็มันก็ชี้แจงมันจะอมัน ไม่ใช่ว่าจะเราถูกแรามจะเฉยไปตลอดเวลาไม่ใช่<ม>ถ้ามีโอกาสชี้แจงได้ก็ชี้แจงไปถ้าชี้แจงไม่ได้ก็ไม่ต้องชี้แจงอ๋อค่ะก็คือชี้แจงไปก็ทําตามหน้าที่ที่เราควรจะชี้แจงความถูกต้องแล้วก็ปล่อยวางอใช่คนก็จะฟังไม่ฟังก็อีกเรื่องถ้าเขาไม่ฟังก็อยู่ชี้แจงไปไม่ต้องชี้แจงค่ะเพราะบางทีก็เหมือนบางบางทีเราเราบอกเราบอกเขาเหมือนแบบ เห <g ül> มือนนะแบบนี้มันไ ม, ม, นไม่มันไม่ถูกต้องแล้วก็คิดในใจเอ๊ะเราควรจะบอกเขาไม่นะ่าอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์หรือว่าเราเราไปแสดงแบบแบบว่าเหมือนแบบไปว่าเขาผิดอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันก็เลยสองติดสองใจกลั ว, วว่าแบบจะไปทําให้เขาเสียใจหรือเปล่าพอเราพูดตรงไปอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีความคิดในใจไปเอ๊ะเราตรงไปไหมนะหรือว่าไม่ควรพูดอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เร า, าต้องใช้วิเคราะห์ดู ถ้าพูดไปแล้วมันทําให้เสียหายมากกว่าได้ประโยชน์ก็อย่าไปพูดไปค่ะอค่ะก็คือต้องมีสติในการไตรตรองก่อนที่จะพูดนะคะก่อนจะพูน พ, นพิจารณารอบครอบก่อนดูดูคุณดูโทษที่จะตามมาว่าเกิดคุณไม่เกิดโทษถ้าเกิดคุณก็กณพูดไปถ้าเกิดโทษก็อย่าไปพูดดีกว่าอืมค่ะได้ค่ะพระอาจารย์เพราะบางทีเราก็ พูดดีหรือไม่พูดดีพูดก็จะทําให้เพื่อนเสียใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่พูดเขาก็จะไม่รู้เอ๊ะหรือมันเป็นอัตราตัวตนของเราหน่าอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ตอนนี้อา่อาอ่าจะรับไปปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ก็คือไตร่ตองก่อนว่ามันได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วคนจะพูดแล้วไม่ควรอยพูดด้วยแล้ไม่ควรอยพูดอย่าพูดไป ค, ค่ะ ค, ค่ะ ค่ะพระอาจารย์รับไปปฏิบัติค่ะโอเคดีเท่านี้นะดีเท่านี้ค่ะสตธุค่ะไปที่รักซมบูรณ์ก็ปุ้ยทำงานอยู่แล้วปุ้ยหลับแล้วไม่ได้ยินเลยแห้งแล้วลมันเหมือนเหมือนจอบพ อ, อขยับเดินด้ก็นเราทำงานอยู่ยอย่างนี้ช้าไปก่อนที่สีซาลินทรนใครที่มาได้แล้วมศสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็พระอาจารย์เจ้าคะเวลาที่เราปฏิบัติไปเรื่อยๆนี่มันเหมือนมันคือมันจะนิ่งนิ่งขึ้นเรื่อยๆอะค่ะพระอาจารย์การใช้ชีวิตในในแต่ละวันมันก็จะแสดงว่าสติเราดีขึ้นตามนั่นค่ะพระอาจารย์แต่คราวนี้เนี่ยสมมติว่าเราเวลาไปคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเราจะเราจะเห็นอารมณ์ของเขาในขณะเดียวกันปัญหาที่เรารับฟังเราจะรู้สึกเฉยอะค่ะพระอาจารย์ S <S เหมือนมันไม่เหมือนมันไม่เอาใช้ดีทีสุดพูดอะไรกะลกันอย่างนี้มันแปลว่าเราไม่มีความเห็นอกเห็นใจไม่มีคือยอมไม่แน่ใจมันระหว่างสองตัวเนี้ยว่าการที่เราเป็นนิ่งอย่างนี้มันเป็นเพราะว่าหนึ่งมันเรื่องเราหรือเปล่าอา่ <laughs> หรือว่าเราควรจะเราควรจะโอเคเราควรจะวางตัวยังไงอะค่ะ อก็พิจารณาดูว่าเราต้องเห็นหนหงเห็นใจเขาหรือเปล่าถ้าเราไม่มีหน้าที่ต้องเห็นเนี่ยเห็นใจเขาไม่ต้องเห็นเนี่ยเห็นใจเขานม่ของเขาถ้าเรามีหน้าที่ก็เราก็ทําไปค่ะยมยมก็พูดเท่าที่โยมพูดได้แล้วก็ไป็สิ่งที่มันเกินหน้าที่ตัวเองอแล้วยมก็นิ่งอะคะ่ะพระอาจารย์ก็ก็นิ่งอย่างนี้ไปไปอะคะ่ะพระอาจารย์แล้วเพราะว่ า, ถ, าถ้าเขาไปนึียบร้อยก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปทํา ไปทำหรอกเฉย ๆ, ๆถ้าเขาขอร้องเออื่วยปรับทุกหน่อยช่วยช่วย อ, อะไรหน่อพูดถ้าเขาขอความช่วยเหลือก็ให้ความช่วยเหลือ เ, เ ข, ข้ า, ขาไปค่ะเพราเราค่ะพระอาจารย์ขอโทษค่ะถ้าก็ไม่ขอร้องอะไรก็เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรค่ะค่ะพอเร า, าพิจารณาเดีย๋ยวเขาจะรูว่า<ต>มาอยู่กับชีวิตเขาทำไมยมไม่แต่ยมไม่ใช่ยมไม่ใช่คนพอปฏิบัติแล้วมัน เหมือนมันไม่ไม่ได้อยากไปยุ่งกับใครไม่ได้อยากไปไหนไม่ได้อยากไม่ได้มีใจที่อยากจะแบบวิ่งออกไปข้างนอกทํานู่นทํำนี่อะค่ะเราก็อยู่ของเราเพราเรามีความสงบแล้อยู่กับความสงบมันดีที่สุดใช่ค่ะพระอาจารย์พอเวลาว่างก็รู้สึกว่าเราคิดว่าอยู่ได้อะค่ะอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ไม่ได้ดิบจะต้องไปพบใครไปเที่ยวไหนหรืออะไรยังไงแต่เราก็ต้องยอมรับ ว, ว่าเราก็จะไม่มีเพื่อนเราก็จะไม่มีใครมา ดูแลเราแต่เราก็ไม่แข็งเราก็อยู่ของเราไปคนเดียวดูแลตัวเราไปยมก็บอกลูกว่าลูกต้องดูแม่เราต้องแม่ทําหน้าที่อ่าดูแลลูกวันหนึ่งข้างหน้าก็ขอให้ดูแลด้วยแต่ยมก็ไม่ได้คาดหวังนะคะแล้วอัตตาอัตโนนาถัวดีกว่นอนไปเรื่อยของตนใช่ค่ะัชก็พิจารณาแล้วว่า มันไม่มีอะไรในเมื่อเราพิจารณาเราศึกษาธรรมะม า, มาเราก็ควรจะปรับเข้ามาใช้ชีวิตได้ในชีวิตนะคะ่ะ mm hmm. แล้วพอพิจารณามันมีอยู่วูบหนึ่งอะคะ่ะอาจารย์มันเหมือนกับมันเหมือนกับเข้าใจคําว่ายนิโซอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันดึงเข้ามาแล้วมันมันเกิดอาการแบบอ๋อ oh, นี่ไงล่ะที่เราอ๋อ oh, นี่ไงล่ะอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. มันผุดขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเข้าใจว่าอย่าไปเอาอะไรกับอะไรมันไม่มีอะไรจริงๆอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. มันก็เลยมองทุกอย่างยิ่งไปหมดเลยอะค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะยิ่งพอทราบว่าวันนี้วันพุธต้องยิ่งรีบทต้องทำเดี๋ยวต้องจะาอาจารย์ังทำาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมค่ะพอดีอาทิตย์นี้อ่าเขาอนุญาตให้ทำงานที่บ้านได้ทั้งอาทิตย์เลยอะค่ะแต่ปกติก็ไปทำงานที่ออฟฟิศอาท์ละสองวันค่ะยัยไม่มีคำถามแล้วค่ะกลับ นามส ก, การพราชาัชฌาขอให้พระอาจารย์พัชั์แข็งแรงนะคะาสากาธออ่จจอยจอยอยู่ที่ไหนจอยอยู่ที่เดิจมจังหวะไหนพัทยาอ๋อหน้าตาเปลี่ยนไปบันนี้เทีเนนเ่ยวไปคนอ้วนขึ้นลงมาออาผมไม่เหมือนเดิมเลยใช่อ้วนดนโดนแฟนด่าอีอ้วนทุกข์ไปยิ่งโดนด่ายิ่งกินเยอะแะ ใช่ค่ะมันเป็นปัญหาของหนูที่หนูพยายามแล้วมันไม่ได้สักทีเรื่องกินเนาะแล้วพอมันกินเยอะมันก็จะเหมือนที่พาจานบอกมันจะง่วงเนี่ยพอดูดูหนังไม่ง่วงแต่พอฟางทามันจะง่วงตลอดเลยก็ง่วงทำ่ามันทาให้เราสงบแล้วมันก็เลยง่วง่าดูหนังมันตื่นเต้นมันนาใจมันก็ไม่งช่วชมันยิงกันตลอดเลยก็อ๋อมันก็เลยไม่คุวง พอฟังเข้าซูมนี่จะง่วงจะหลบับ <Okay. S 2> ก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวไปใส่บาตรแล้วก็หนู <PowerPoint> ก, ก็พยายามดูดจิตดูใจพยายามห้าม อ, อย่าไปกินมากนะเดี๋ยวจะมีปัญหาในการกินเีงเรื่องความมั่วเองหนูพยายามค่ะตั้งใจอยู่ว่าจะให้ปีนี้จะให้ได้ <Okay. S 2> ค่ะขอบคุณคร่ะปุ้ยพ่อแม่ป้วยนะฮักเสมอ เปิไม่มาถามน้มาสการเจ้าค่ะทำงานอยู่เลยเห็นคำ่าคอมเมนต์อยู่ตรงนะี้เปล่าค่ะอนนี้ทำที่ทำที่บ้านค่ะทำํำอะไรอะไรที่บ้านค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปทํางาน้างนอกค่ะพอดี mm hmm. บอกว่าก็กําลังวางแผนอยู่เจ้าค่ะอาจารย์ mm hmm. อะจะทําอะไรไพรเวทด้วยเพอเราก็มีหัวกันค้านะ mm hmm. เราก็ไม่อยู่เฉยา ง, งเราก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ หาหานิบเล็กน้อยเพื่อจะไปทํากรถินเพราะเราต้องเตรียมการวางแผนในการทํากรถินน<ม>ะคะก็เลยบอกเอเรายังเป็นคนอยู่อน้อพระอาจารย์<ม>แต่ถามว่าถือศีลไหมเหมือนเดิมอาจารย์ถือศีล<ม>แปดเหมือนเดิมเอวันนี้จะต้องออกไปธุระทํางุ่นทํา น, นี่ก็ต้องขอมาเราก็ต้องแต่งตัวหน่อยแต่เราไม่ได้ไปไปอวดสวยปวดอะไรอะไรชาวบ้านเขาอ่ะฮอสวดมนนั่งสมาธิเหมือนเดิมค่ะ ตื่นใ <Hey. S 2> นเะชา้าตีสามครึ่งแลนั่งสมาธิตรวจมนถวายข้าวพระเพราเราไม่มีพระเราก็อยากใส่บาทเราเป็นคนชอบใส่บาทนะคะอาจารย์นะฮะโยมก็ไม่มีอะไรจะให้พระอาจารย์เป็นการตอบแทนว่าคุณโยมก็ถวายบุญทั้งหมดก็โยมทํามาให้พระอาจารย์นะคะอปฏิบัติบูชาได้ก่าปฏิบัติบ <c oughs> ูชาดีก่ า, ช า, าใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าตอนแรกโยมก็กะว่าจะทําแค่เจ็ดวันจะถือศีลแปดแค่เจ็ดวัน ทนี้เอ่อทำไปทํามาเอา่อโยมทํามันถึงสามเดือนแล้วนะพระอาจารย์เอ่อทำไปเรื่อยๆเออทีนี้มันมันไม่เรามันไม่มันไม่รู้จะจะหยุดยังไงและอย่างเรารู้สึกดีแล้วเราก็ไม่รู้สึกหิวแล้วมือเราก็ไม่บอนด้วยเพราะปกติเราจะมือบอนไปจับนู่นจับนี่ใส่ปากตอนเย็นๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบอัตโนมัติว่าเอาเอเราไม่กินนะแต่ทีนี้มันจะมีวันที่ว่า ลูกมาก็พาลูกไปกินพัตคารทานีนี้ก็เลดไปหน่อยชั่วโมงนึ่งเราก็นึกไปจ อ, อจะประคุนขออย่าให้ลูกบาปเลย <laughs> ลูกกินเลดหน่อย <laughs> กิาไิไเลไ<ช>ไิไกินกินกไนกินอินกินกินก่นกินกินกินกิกินกินกินกินกิ่กขขนนกิน เป็นสินเรื่องอื่นจะเป็นค่าสตัตว์หรือพูดยาบหรือโกหกอะไรอย่างเงี้ยหรือคือคือเรามีอยู่เลยว่าเราต้องเป็นคนจริงเรามีสัจจะเราไม่เอาเรื่องโกหกอะไรอย่างนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงเพราะว่าตอนนี้เราก็ทําอะไรอยู่แต่ในบ้านเราเราก็ไม่ได้ไปติดต่อกับพวกที่ไร้สาระแล้วแล้วเอาเวลามาสวดมนต์ไหว้พระซะส่วนมากค่ะก็เลยไม่คิดว่าไอ้เรื่องโกหกนี่ก็ไม่ผิดนะคะอ่า กพยา ย, พยามเรีอยังใช่แต่ว่าโยมก็ยังยังติดการเป็นคนอยู่โยมก็ยังมีกิเลสในการที่ว่าโยมอยากจะทํากระถินโยมก็เลยเอาเวลาที่เหลือเนี่ยมาทําประโยชน์คือทํางานเล็กๆน้อยๆนัน่นแหละออนไลน์หาไรายได้เพิ่มเพื่อเพราะโยมเป็นคนชอบกระถินมากเอ่คือคือก่อนเข้าพรรษานี่โยมต้องวางแผนแหละ เดี๋ยวเราจะไปทอดกรถินตรงไหนไปจองวัดไหนอะไรยังเงี้ยนะฮะยมันมันมันทำออโตเมติกมาทุกปีทุกปีอะพระอาจารย์อือเ ด, ดทําไปมันเป็น <c oughs> นิสัยขนามันะถือว่าเป็นนิสัยใช่เหมือนทีนี้พอถ้าเเกิดว่าเราไม่ทํานี่เรามันจะเหมือนกับคนหงุดหงิดไม่ได้กินยานะฮะใช่เคยทําบุญแล้วไม่ได้ทำก็ถือว่ามันขาดอะไรไหมใช่เหมือนกับการสวดมนต์แล้วทีนี้เราขาดไปสักวันหนึ่งเราจะรู้สึกนะเอ๊ะมันไม่ดีเลยเนี้ย อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไปถูกทางแล้วนะใช่แต่ว่าถ้าพระอาจารย์มาถามว่าโยมมาเห็นอะไรไหมโยมไม่เห็นหรอกนะพระาอาจารย์ไม่เห็นนะมสมาธิให้มันเห็นภาพสงบพอใช่ค่ะโยมรู้สึกว่าใจมันนิ่งแล้วมันเฉยเฉยมันมันไม่รู้สึกตื่นเต้นมันไม่รู้สึกเศร้าแล้วแบบเราใครมายืนด่าเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเฉยเฉยอย่างเงี้ยไมเบกขาไม่เบกขาค่ ะ, เ, คคะเราเรา คือเรารู้ว่าเขาด่าเราแต่ว่าเราไม่อยากจะด่ากลับเราก็เฉยๆไปเลยอย่างเงี้ยปล่อยเขาด่าไปใช่นะคือถามว่าเราเชื่อมากค่ะเรื่องเนี้ค่ะเรื่องบุญบาปและแล้วก็คิดว่าเราผ่านอะไรแต่อะไรมามจนอายุเท่านี้แล้วก็เพราะว่าบารมีขอ ง, ององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าโยมก็เรียกว่าเวลาโยมเหลือไม่น้อยแล้วโยมก็ต้องเดินทางนี้อ่าไอพระอาจารย์พระอาจารย์ดีขึ้นนะคะอาการดีขึ้นนะคะ อ่าดีขึ้นเป็นปกตินะนี่นี่ครับเมื่อวันอาทิตย์อ่ะโยมจะเข้าไปฟังพาจารย์ก็โยมเผลอหลับโยมไม่สบายเผือหลับไมปก็อากาศมันแบบมันเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวสองวันมันก็ร้อนอีกสองวันมันก็หนาวอีกแล้วเมื่อวันก็แดดออกเมื่อวันก่อนก็แดดออกนี่มาอากาศแย้อีกแล้วไม่เหมือนเมืองไทยค่ะฮะเมืองไทยกันตอนนี้ก็ร้อนอย่างเดียวเลย ค่โ ย, ยมก็รอประมาณสิงหาหรือกันยายโยมก็ว่าประมาณกันยานเนี่ยค่ะโยมก็จะกลับเมืองไทยเพราะโยมจะกลับไปใกล้กลๆที่เขาอบพรรษานะคะเออจะได้ท้ากรถินได้นะใช่ใช่เพราะว่าโยมชอบมากไอ้กระิ่นเนี่ยคือปกติแล้วเราจะทอดอยู่แต่ที่นี่ทีนี้เรามีความตั้งใจว่าถ้าเราได้ไปทอดหรือเราได้ไปทําบุญไปใส่บาตรไปยืนใส่บาตรเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันรู้สึกดีมากก็เลยจะกลับไปเมืองไทยอ่ะคะ่ะ อฮะเพราะอยากอยากไปใส่บาตรครับโอเคค่ะครับไม่มีอะไรนะคะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงนะคะโยมมะมาถวายบุญให้กับพระอาจารย์ค่ะโอเคสาธุขอให้สุขเจริญให้ร่ำไปรวยนะสาธุค่ะพระอาจารย์ไปที่สมชาย p e n n s y l v a n ี a Erie p e n n s y l v a n อ่าเล็กอีรีเลย อ, อยู่ใช่รครับอะไรสักอีรีเลยครับก็ใกล้กลับเล็กอ่าอีรีนะครับก็ประมาณสักกิโล ก, ลกว่าก็ตกน้ําเลยครับ <laughs> อยู่ใกล้ามากนะฮะ yeah. งานเกี่ยวกัเรือใช่ไหมที่เราทําอยู่นี่กันเนี่ยงานเกี่วกับเรือครับซ่อมเรือครับผมก็เป็นเขาก็ซ่อมเรือใหญ่ที่เดินทะเลแล้วก็ก็เป็น อ่าส่วนซ่อมของการไฟฟ้าะเอออีรีนีน้ํำจืดไม่น้ําเค็มเหรอน้ำจืดครับน้เจดครับน้ํำจืดแล้วก็เป็นแต่มันสามารถนัาออกไปสู่แอตแลนาติกได้ไหมได้ครับได้จากอียิรีครับเขาจะไปจากอียิรีเรือใหญก็จะไปที่ที่นัำตกในแองโกลาผ่านไปเชนในแองโกฟอร์หลังจากนั้นก็ลงแอตแลนติกใหญ่ แล้วของชิคาโกนีก่ก็ออกได้ป่ะออกได้เหมือนกันชิคาโกออกได้เหมือนกนครับใช่ครับกชิคาโกก็เป็นน้ําจืดเหมือนกันใช่ไหมครับผมว่าชิคาโกก็เป็นน้ํำจืดแต่เป็นโพิโลชั่นมันมากเกินไปแล้วเดี๋ยวนี้ครับแล้วก็ครับก็อ่า ก, ก็ไม่มีอะไรมากก็เมื่อวานไปหาหมอไปอ่า ไปคอโลซัฟีนะครับคอโลโคอฟฟี่สัน้ำใส่สครับล้กวก็เขาเสียบเขาเสียบสายเข้าในใแขนผมก็เล็กคิดถึงอาจารย์ว่าเออท่านบอกว่าจะทำอะไรก็ทำไปไม่ใช่ของเราดอกแม่หมอหมอคนเล็กนะฮะ แทงแล้วแทงอีกเพราเส้นมันพลิกไปเพล็กมาหมอใหญ่เลยเอาเอาเข้าไปผมบอกเออผมก็เราคิดถึงแต่พราจารย์เมื่อคือนนี้เมื่อวานนี้บอกว่าเต็มที่แทงเข้าไปก็เลยเขากลัวจะเจ็บหรืออะไรก็หลังจากนั้นเขาก็แทงแล้วก็เสร็จครับหลังจากนั้นก็อ่าก็เออท่านพระาอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ของมาให้เขาทําเถอะจะเป็นอะไรก็เป็นกค่จริงครับอันนี้ แต่ตอนคืนก็ผมก็พุโทโธพุโทโธแล้วก็ทำให้าทาให้ร่างกายหัวคิดความรู้สึกดีขึ้นครับท่านพระอาจารย์ผมก็ใช้มาเรื่อยผมอตอนที่หลับไปสี่สิบห้านาทีตอนที่เขาทำนี้ท่านพระอาจารย์เคยบอกว่าถึงยังไงก็ไม่มีอะไรเป็นของเรานี่นี่จริงที่สุดไม่รู้ว่าเอาอะไรทิ้งไว้ข้างนอกบ้าง แล้วผมแล้วอย่าง อ, อย่าง knowledge ต่งอย่างอย่างที่เรารู้มานี่ก็ทุกอย่างเอาไปไม่ได้ทั้งผมก็เออท่านพ่อจารย์นี้พูดผมก็เลยว่าผมก็เลยคิดถึงท่าออนตอนกลางคืนน่ผมออสวดปล่อยวางอ่าไปยืดจะืไปติดมันถึงเวลาต้องจากกันก็จะได้ไม่ทุกเนะี่ยอะครับท่านก็อธิบะแบบกาอธิบายส่งไห้ท่านว่า การที่เรียนมากก็มาถึงขนาดนี้ครับ<ม>ก็โทรแล้วก็อ่าก็ก็ได้ครับก็ใช่ได้ดีครับขอบคุณมากคุณอาจารย์รกลลวเราแต่เริ่มต้นไม่รู้เรื่องรู้ราวอนระแต่ได้รู้เรื่องเองอยอแยะขึ้นแล้วนะ <c oughs> ตอนแรกผมผมก็ขออ่าอ่าขอประธานอภัยครั้งแรกผมว่าอพระท่านจะไงมาออกสนมากจะพระในทูบใน y o u t u ู e จะมีมากผมก็เลยผมนี่ปีที่สองจะเข้าแล้วผมก็เออคิดถึงมาแต่ทิ้งตลอดใช้ได้ตลอดเลยครับขอบพระคุณมากครับอาจารโอเคเดินไปต่อไปที่คุณนิงต่อคุณนิงค่ะคุณนิงกล่านาัสการพระอาจารย์เจ้าผ่วันนี้โยมมีคําถามเจ้าค่ะ ก็เกี่ยวยมจะถามว่าในกรณีที่เราภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆนะคะและถ้าเราภาวนาพุทโธแต่เรากำหนดฐานจิตของเราไว้ที่ตรงตำแหน่งที่น้ำลงไปลึกที่สุดหรือฐานที่เจ็ดอะเจ้าค่ะประมาณสะดืออย่างเงี้ยเจ้าค่ะ เราก็ภาวนาพุโทโธไปด้วยแล้วก็ให้ไปที่ฐานที่เจ็ดด้วยอะเจ้าค่ะทีนี้ว่าอย่างมันจะแตกต่างกันไหมเจ้าคะมันจะมีความแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างกับที่เราภาวนาพุโทโธเฉยๆกับการที่เราอ่าไปที่ฐานที่จิตด้วยอ่ะเจ้าค่ะก็ถ้ามันไปสองจุดเนี่ยมันก็จะทำให้จิตลมยากจิตสงบยากกว่า แต่อยู่อยู่อยู่จุดเดียวอยู่พุโทโธจุดเดียวจะจะง่ายกว่าจะสำอง่ายกว่าเจ้าค่ะเห็นพยายามอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวว่าความไม่ต้องไปกังวลกับฐานนี่เจ้าค่ะโอเคนะท่านี่เลยแล้วก็จะถามว่าจิตของเราอเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนเจ้าค่ะ อมันอยู่อีกเล่าหนึ่งเขาเรียกโลกทิศมัน ม, มีเชื่อมต่อกับร่างกายร่างกายเนีอยู่ในโลกโลกกธาตุส่วนจิตเนี่ยอยู่ในโลกทิศมันใช้กระแสวิญญาณส่งมาเกาะเหมือนเหมือ น, นตอนนี้เราอยู่ร่างกายเราอยู่โลกนี้แต่จิตอยู่บนดวงจันทร์อย่างเงี้ยอยู่คนละโลกกันเจข า, านแล้วที่บอกว่าให้เราหาผู้รู้ผู้รู้นี่คื อ, อไม่ต้องหาหรอกไม่ต้องหาทำสมาธิให้สงบแล้วผู้รู้ก็จะโผลกขึ้นม ผู้รู้จะโผล่ขึ้นมาเองสักวันหนึ่งใช่ไหมเจ้าคะตาจิตแสงหอก็จะแหงนทัล้เจ้าค่ะขอขอบพระคุณเจ้าค่ะโอเคสาธุสาธุเจ้าค่ะอาบาลินบาิก็ทอมบบรุณการครับหลวงพ่อก็ก็ก็เพรก็รู้สึกว่าทุกวันนี้ บุญเล็กน้อยแล้วก็เห็นคุณค่าแล้วก็บาปเล็กน้อยแล้วก็เห็นว่าเราจะไม่อยากทําบาปในทั้งปวงอย่างเช่นสิ่ห้าปกติอยู่แล้วแต่อะไรพวกโทรศัพ์หรือปฏิฆาอะไรก็พยายามดับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็เพราะว่ามันเห็นว่าอะไรสิ่งที่ไม่ดีเีเล็กน้อยมันก็สามารถเติบโตขึ้นไปได้เมื่อเห็นมันสกรปรกนิดนึงก็ไม่อยากให้มันขึ้นเลยเราก็ยพยายามทำความสะอาดให้เร็วที่สุดแบบนี้เรียกว่ากีเรโอตปห์ใช่ไหมครับก็เห็นภายใน ในในในบาปจังไรจะเป็นเล็กน้อยมันก็มันือนไฟที่มันจะลุกลามแดกตัวไปมาได้ต่อไปก็บุญเล็กน้อยแล้วก็เห็นคุณค่าของบุญเล็กน้อยก็ไม่ละเลยบุญเล็กน้อยเช่นแบบเใครทําดี้ทําได้เท่าไหร่ก็รีบทำไปครับแล้วก็อย่างเช่นวันก่อนญาติลูกพี่ลูกน้องผมเขาก็ไปบวชวัดประวันผมก็อนุโมทนาบุญกับเขาไปเออก็ดีเหมือนกัน ผมก็เลยอ่านคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ท่านดูดูซาบซึ้งเพือชูบูชาพระพุทธเจ้าสุดๆอ่านแล้วน้ำตาไหลตามขนาดแค่อ่านประโยคของ่านขอ0ท0นนะครับไอชีวิตนี้น้อยนักอะไรแบบนี้ครับไม่มีใครมีพระคุณกับพวกเราเท่ากับพระพุทธเจ้านะค ร, าครับแล้วก็สุดท้ายคื อ, อนี่กับถามสอบถามลงก็สุเออทาไมเออ รู้สึกหลวงไม่เคยตั้่รู้จักหลวงพ่อมารู้สึกหลวงพ่อทันสมัยเสมอแต่ไหนแต่ไรคือแบบคือไม่มีถ้าคนอื่นพูด้ดถึงพระจุฬาจาุชาติจะไม่นึกว่าอายุเจ็ดสบกว่าแล้วจะนึกว่าเป็นพระสี่สิบกว่างคือแบบหลวงพ่อที่ทันสมัยแบบปฏิพันธ์ไหวพริบทันสมัยที่สุดเลยครับก็แบบถ้ามีกันก็แบบไม่มีไม่มีเราจะทันสมัยเท่ากับธรรมะธรรมะธรรมะนี่ทันสมัยทันกิเลสใช่ไหมถ้าทันกิเลสแล้วไม่ว่าอยู่ยุคไหนมั<ใ>นก็ทันทั<ใ>นทุกยุค แต่แต่ละยุคมันก็ยุคของกิเลสทั้งนั้นนะครับยุคตัวแบบยุคน่อมผมทองมันก็ยุคของกิเลสนะครับใช่ครับไอ <laughs> เราไอ เ, เไม่ทันมันมันเลิ่มมันเริ่มจับเราไปย่อมถ้าเราทันมันเราไม่ไปย่อมไม่เสียเวลาเนะราอับใช่ <c oughs> ก็อันนั้นแหละครับหลวงพ่อก็ก็กราบขอให้หลวงก็เป็นก็กราบหลวงพ่อครับก็ไม่ก็ ไม่มีอะไรครับก็ขอให้หลวงพ่อถวายแข่แรงเสมอโอเคเ่พยายามทานกินเรียนนะจะได้ไม่เอาไปถูกมันหลอกหบอมอยู่ดีๆผมเราก็ดีอยู่แล้วเป็นหลอกให้ไปยอมเสีอะไรกันไม่รู้คราผมเราผมพิการครับโอเคทุาคุณมาลีพุทธกาศได้ข่าวว่ามีไฟไหม้ถึงใกล้บ้านแล้วปะอ๋อไม่ไม่ไกลมากค่ะหลวงพ่อเมื่อเช้าเนี้ยค่ะ เห็นเห็นควันเลยนะเห็นเห็นเห็นข้าหลว <c oughs> งพ่อเช้ามืดเลยนะใช่ค่ะสงสารคนคนเขาไม่ไม่มีอะไรเหลือเลยนอกจากตัวตัวตัวเขาตัวคนเดียวเป็นเป็นบ้านเป็นบ้านที่ปุกติดกันนะคะแล้วก็ห้องเช่า <c oughs> ค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนจะใกล้โรงเรียนเล็กๆกด้วยมั้ฟ้ะหนูไม่แน่ใจพองหนูมองจากบนบนถนน ลงไปอะค่ะไฟกาลังลุกเลยอะค่ะอไม่นีก็ต้องพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขงาางังนะตามไปก็นึกถึงว่าเจ้าของเขาก็คงทุกข์ร้อนทุกข์ยากไม่เหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อพอเห็นเห็นภาพตรงนั้นค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อครับพอี<ม>พอหนูหนูจะถามตรงที่ว่าพอเราฝึกปฏิบัติไปแล้วแล้วก็สติ เราดีสมมุติว่าเราดีแล้วมันก็ส่งถึงสมาธิแล้วทีนี้พอมาทางปัญญาเวลาเราเจอเรื่องที่มันมันมันทุกข์มันมันมีเรื่องมีราวที่ทําให้เราไม่สบายใจตรงเนี้ยเราต้องมองให้เห็นถึงว่ามองให้มันมเป็นเรื่ น, นั้นต า, น, า, น, านตาเนได้ไมเรื่อันตานเป็นของที่เราก็ควบคุมบังคั้ไม่ได้ะต้องต้องมองมองแล้วให้ ให้เห็นจริงๆว่ามันมันมันเป็นเป็นเป็นไตรักจริงๆอย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้วทีเนี้ยคือต้องต้องพยายามตัดให้อย่างรวดเร็วที่สุดเพราะว่าถ้าถ้าไม่ตัดให้เร็วเนี่ยมันเหมือนใจมันมันจะทุกข์แต่ถ้าเราคิดได้ทันทีมันจะตัดโดยที่มันไม่ทุกข์อย่างเงี้ยถูกใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกี่ยมันเป็นอนิจจังเป็นอน้าตามันก็จะไม่ทุกข์ ถ้าไปคิว่ามันเป็นของดีต้องไม่ต้องต้องอยู่กับเราเป็นของเรามันก็จะทุกข์ขึ้นมาค่ะอย่างอย่างเราทําของเสียหายอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่เราไม่ได้ตั้งใจนะค่ะหลวงพ่อแล้วเรารู้สึกว่ายังใหม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันรู้สึกว่าเป็นทุกข์เสียดายแต่พอถ้าถ้าเรามาทางปัญญาเราจะคิดเลยว่ามันไม่เสียนาทีนี้เดี๋ยวต่อไปมันก็ต้องเสื่อมต้อง หมดสภาพต้องสิ้นไปวันใดวันหนึ่งพอพอเราคิดได้แบบเนี้ยมันมันตัดขาดออกไปเลยอย่างเงี้ยถือว่ามันเป็นการรับเป็นการฝึกปัญญาอย่างนี้ใช่ไหมคะหมอมันก็ฝึกปัญญาแต่ท่านจะพิจารณาว่ามันเป็นแม่เที่งหรือเปล่ามันมันไม่เป็นแม่เที่งตั้งแต่วันนี้แหละมันตั่งไวลอวันนี้แล้ก็มันไปแล้วนะค่ะเหรอคือความหมายของหนูคือว่าให้ให้คิดและให้ให้ไวที่สุดอย่างเงี้ยมันถึงจะ ถือว่าไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรแท่งแท้แน่นอนดิสเกิไม่ดับเป็นธรรมดาค่ะแล้วแล้วขณะที่ใจเราอยู่ระหว่างกําลังกําลังทุกกับกับที่มันข้ามมาคิดตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อพอมันคิดปุ๊บมันตัดใจมันใจตรงนั้นก็จะไม่ทุกข์เลยอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อใช่ถ้าปัญญาทันทุกข์ก็ดับถ้าปัญญาไม่ทัดทุกข์ก็ยังไม่ดับค่ะห่อ วันนี้หนูมีคําถามประมาณเท่านี้ค่ะหนูยังปฏิบัติอยู่ค่ะพยายามสอนเรื่องอนิจจงมนัสตาบ่อยๆแล้ว ม, มันจะเป็นอะไรก็ตาม<ะ>เมื่อเวลามันเกิดขึ้นปัป้มไปบอกว่าไม่เป็นไรไเป็นอนิจจามนัสตาเลยพอดีหนูไปไปดูคลิปเอหลวงหลวงพ่อสุดใจะค่ ะ, <c oughs> ะท่านท่านเทศต่อนว่า เวลาเหมือนประมาณว่าเหลือเหลือน้อยอะไรเงี้ยมีเวลาตรงไหนท่านก็จะเดินจงกรมคิดว่าเดินเดินแล้วนิดเดียวแต่ผ่านมาสามสี่ชั่วโมงแล้วท่านจะสอนว่าให้ลงพิจารณาไปถึงไปละจนในที่สุดแล้วมันเหมือนในใจมันไม่เหลืออะไรความสงบสุขทางใจก็จะกลับมาอะไรประมาณอย่างนี้นะคะหลวงพ่อ ไ, ไม่มีอะไ ร, เ ป, เ, รเป็นของเราเป็นของเราจะมีไเสียเวลาคับอะไรครับ ข่ะหลวงห้องวันนี้หนูมีความอย่าไปกังวลอย่าไปหวงใหญ่ข่ลวงพอคิดคิดได้มันก็คือมันก็ไม่ได้มีทุกอะไรอยู่ในใจเราอย่างนี้ยค่ะหลวงพ่ดีสยายามพิจารณาตายล่าชิดบ่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างไมาจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าเป็นเหตุการณ์อะไรก็ตามมันก็เป็นตายลักค่ะหลวง โอเนะค่ะวันนี้มีเท่านี้ขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะอยา่าลืมทำสมาธิไปด้วยนะอย่าลืมทําสมาธิด้วยนะปฏิบัติค่ะหลวงพ่อโ <c oughs> อเคอะไรทม่กังานเลยคุณหมอสุนทรัตน์เลมาสักการท่านอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคําถามจ้ะค่ะโอเคยังปฏิบัติอยู่นะ <c oughs> นนสมาธิปัญญาทุกวันเจ้าอ่ะในสาธุไปกับมอาทวุฒิหมอนาทวุจะอถวมกับน้มัสการพระอาจารย์ครับไม่ใช่เลยครับมาดีวันก่อนเห็นท่นมีธรรมะที่ที่โพสต์ใน facebook อะครับเรื่องของที่ท่านวาดที่ท่านสอนให้ไม่ไม่ต้องกลัวการทุกข์ยากจากการปฏิบัติให้คิดว่าเป็นอส่วนหนึ่งของ ของของการปฏิบัตินะครับผมเองก็ผมเองก็เคยเคยคิดแบบถ้าถ้าพร้อมนะครับก็คิดว่าอยากจะออกไปปฏิบัติอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ยังเท่าที่ดูเนี่ยก็เวลาไปปฏิบัติมันก็จะมีความสงบแต่ว่าก็จะมีความกังวลเรื่องของไอตอนช่วงวันหน้าร้อนที่ผมจะไม่ค่อยชอบความร้อนแล้วก็รู้สึกว่าไปอยู่สามสี่วันอะไรเงี้ยมันก็เดมันก็มันก็มันก็ดีที่สงบแต่ว่ามันก็จะแบบรู้สึกบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมัน นอนท้องแอร์อยู่ที่บ้านพักสบายดีอะไรครับถ้าทํางไปอยู่เป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้วอยู่แบบอ่าบางทีน้ำเนื้อไม่มีอ่ะมันก็จะเลยอยากขอปัญญาท่านนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันมันมันเคยชินไปถ้าอยู่ไปกันแต่ข้อสังเัตก็คือเราต้องมีธรรมะท่านใจเรามีอเบรขาแล้วเราก็จะไม่รุนกไม่เดือดร้อนไปกับครับกับอากาศดินฟ้ากา็ไม่อยู่กับเราได้ อ่าก็เคยก็ปรับให้ได้เพราะว่าบางทีรู้สึกไปก็กลับมาก็ไม่สบายแต่ว่าผมว่ามันก็จะชินอย่างถ้าเราอยู่ไปถ้าเราพร้อมทำบวญเรื่งย้อนยอมพร้อมทีอ่อยู่ไปนาเนี่ยแสดงว่าจิตเราต้องมีงเบรคคาพอสมควรอืม <c oughs> <c oughs> ที่จะสามารถรับกับทุกขเวทนาที่เข้ามาสัมผัสาทางทางรางกายของเราให้ได <c oughs> าา้ไม่ว่าจะเป็นอาการไม่ว่าจะเป็นการ ขาดอาหารได้ถ้าเราอาหารได้กินอาหารน้อยอะไรมันต้องมันต้องมันต้องมีอุเบกขาพอกําลังที่รับกับสภาพของร่างกายควทุกข์ยากของม่างกายด้่งาจามีนก็ทนไม่ไหจะมีอุเบกขาแล้วเราก็จะสามารถที่จะใช้มันได้ใช่ไหมครับมันก็จะง่ายกว่าไม่มีอุเบกขาไปถ้าไม่มีอุเบกขามันจะอะไรนีดอะไรหน่อยมันก็ มันก็ทุกข์นะครับเพรา mm hmm. ยังรู้สึกติดอยู่กับความสุขของร่างกายอยู่พอสมควรครับ mm hmm. แต่ว่าถ้าไม่ไม่เดินทางนั้นมันก็คงก็คงไม่มันก็จะติดอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ mm hmm. มันก็เป็นฝากหนามให้ให้เรา mm hmm. บั่งกัวที่เราถ้าไปอีกวันไปเสาร์อาทิตย์ก็โอเคแต่าถ้าอยู่ทั้งทั้งเดือน mm hmm. ก็ต้องค่อยๆปรับนะครับถ้าเราถ้าเราเจอความเจ็บแล้วเราทนผ่านมันได้เราก็จะมี จิตเราก็จะมีพลังมากกับความทุกข์อย่างของฐานร่างกายครับแล้ว ก, ก็อยู่ที่ขั้นของปฏิบัติใช่ไหมครับท่านออยู่ที่กําลังของสติปัญญาของเราว่าเราจะผ่า น, ผ, านผ่านทุกขเวทนาได้ไหมถ้าผ่านได้แล้วเรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องชิพชอยนะอืมครับครับผมครับผมนครับก็เดี๋ยวน้องไปปฏิบัติครับผมแต่คิดว่าต้องต้องต้องทำครับว่าอยู่อย่างนี้ก็ ก็ติดอยู่แค่นี้มันก็ติดลงอ๋มันก็ไปไม่รอดมันก็อยู่กัได้แค่นันได้แค่ได้แค่ไปก็ได้แค่ไปศพดูนะดูเพราะคุณพระช่าเป็นตัวอย่างพระช่าท่านสบายกับเราขนาดไหนประสาสามืดูดูใช่ไหมใช่ครับบริษัทบริวารคอยดูแลตลอดเวลาทำอย่างถ้ายังสลัดทิ้งไปเพราะท่านริวเบกขาพอท่านมีบุญเก่านะครับมันเห็นจิตที่สงบครับก็เลยทําให้ท่านไม่เดือดร้อนกับการที่ต้องมาอยู่แบบขอทาน ครับครับอแต่คอยเราคิดว่าความทุกข์ยางลําบากเนี่ยเป็นที่เกิดของบัพสนนิพพานให้คิดอย่างนี้มันมันการทำนาเนี่ยมันต้องมีดินใช่ไหมมีนาให้เราทําครับัพสนนิพพานก็จะเกิดกับความจากทุกความทุกข์ยางลําบากนะดูดูประวัติของพระที่ปฏิบัติแต่ละรูปถ้าไม่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติมันเกิดกุลเกศ ใช่ครับมันําเป็นเห็นอ่านปฏิปทาพระธุโธกรรมฐานก็โอ้แต่ลัตองค์ก็ไม่มีใครอยู่คร<ม>ับข้าพเจ้าสบสบา ย, าายไม่มีกลับไปกลัไปบางทีก็จะไม่ถ้าไม่เดือดร้อนเพราะจิตทางนั้นมีมีสติมีเมขามากพอด้วย ม, มีขันตนิถ้าไม่มีขเขาท่านก็มีขันติความอดทน มันก็เป็นกเกล็ดของผมส่วนหนึ่งนะครับที่มันก็กนะวา่าก็อยู่น้ก็ดีให้เราวิเคราะห์แล้เราจะได้รู้ว่ามันนี่คือดวงประสาเรียกว่าการมาฉันทะการมาฉันทะควา ม, าามนดีในความสุขทางตาจนถึงกายคครครับรับบมันก็ทําให้เราติดสุขที่สุดทางร่างกายครเพราะยิ่งไปปฏิบัติมันก็มันก็ไปไม่ได้เพราะมันติดสุข ไปได้เป็นหน้าถ้าหน้าร้อนก็กลัวนะครับเป็นแ <c oughs> บบใช่ครับแต่ว่าต้องก็ต้องทําให้ไปขามากขึ้นคับต้องปฏิบัติให้เยองขึ้นนะก็ <c oughs> จะได้ครับไปดูภาพที่ท่านอยู่บนเขาท่านก็อยู่หนะ้าหนะ้าทั้งทั้งป <c oughs> ใีใช่ครับใชครับใช่ครับจะอยู่ได้ทั้งปีใช่ครับน้ําเนื้อไม่มีเพราะสักบางทีเป็นโชกตกปลาเนี่ยแบบโอ้ยดีร้อนได้เงาทั้งวันแล้วก็มีน้ําอีกรู้สึกโว้ ฉันใช้สมาธิฉันใช้สมาธิเป็นเครื่องดับครับทำใจสงบแล้วมันก็จะเย็นใจก็จะเย็นนั่งกายจะร้อยก็ไม่เป็นปัญหารับวนครับขอบคุณพระอาจารย์ครับขอขอครับไปที่กุนิงต่อกุนิงต์ัยาได้ยนครับพระอาจารย์ัดเจนชัดเจนครับพระอาจารย์ก็ ก็ส่งการบ้านพระอาจารย์ค่ะในเรื่องของการที่เรามาฝึกสตินคะคะาจัดย์พอาจารย์ก็รู้สึกว่าดีมากขึ้นค่ะพระอาจารย์คือพยายามดึงดึงจิตของตัวเองแล้วก็ามาอยู่ณปัจจุบันถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเราก็จะพูดโทรหรือว่า เราก็จะสงบอยู่ทางใจฝึกพยายามให้หยุดคิดให้มันให้มันเยอะค่ะอาจารย์ตามจุดคิดคุยกับตัวเองหยุดคิดหยุดคุยกับตัวเองฮัลโหลเสียงคนณเองขาดหาไปพูดใหม่อัญญาลูกก็เองคุณเองบงทีก็รู้บ้างบางทีก็ไปบ้ ค่ะแกดึงมาพระอาจารย์ได้ยินไหมพระอาจญนะ์ก็นะคะผู้อารย์ตอนนี้ฟยอรู้สึกว่าดีขึ้นในงานที่เราต้องหยุดคิดหยุดคุยกับตัวเองอ่าทุกตจ้าด<ห>้วยเฉยให้ด้วยเฉยเรากำลังทำงานอยู่กันขึข้นค่ะค่ะผู้อารย์ก็เลยพอพอฝึกไปสักหน่อยก็เลยรู้ว่า เราเริ่มรู้สึกใจมันเบาขึ้นนะคบพระอาจารย์นี่มัดถูกต้องใช่ไหมคะพระอาจารย์ bow, <tra un> ถ้าเบาวิญใ จ, <น>จเบาใจว่างใจสบายเนี่ยแสดงว่าสติเราดีค่ะ <tra un> เริ่มดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจกับคําพูดที่มันไอ้นี่มากนักค่ะพระอาจารย์แล้ก็ <tra un> ไม่ไปดิ้นลดไม่ไปเข้าไม่ไม่ไม่ไปกังวลเกี่ยเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสที่มามันกระทบกับใจเฉยๆค่ะพระอาจารย์ อ๋อแต่เวลาเราทํางานก็คือว่าเราอ่ะคิดถูกใช่ไหมครับพระอาจารย์เร า, ารู้ว่าถ้าถ้าทำงานเราต้องคิดจาก ง, งานที่เราทำอย่างเดียวค่ะอันนี้อันนี้เราก็เลยบอกว่าอ๋ออันนี้มามาเดิมมาที่จะถูกทางแล้วก็จะฝึกให้มากยิ่งขึ้นค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเดิ่มรู้ว่าใจมันมันเบามากยิ่งขึ้นมากๆขึ้นแล้วก็อ๋อมันมันเป็นแบบนี้นี่เองแต่บางทีมันก็ไปบ้างมาบ้างค่ะพระอาจารย์เพราะว่า หนูรู้เลยว่าจิตคนมันเหมือนลิงเขาลิงมามาไปเชสติแล้วยังขาดด้วยพอสติมันเชื่อขาดปั๊บลยมันก็ไปท่วงทันงหมดเขาไปจับลิงมาคล้องเขาถูกเชือกไวใหม่เดี๋ยวถ้าพามันก็กระตุกพอมันกระตุกปั๊บเชือกก็ขาดท่าอาจารย์ก็โอ้โหหนรู้เลยว่าไม่ใช่ธรรมดายิ่งกว่าจะรวดโอ้ไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้แต่ก็โอเคพยายามแบบดึงมาอ่ะ อยู่ณจุจุดนี้ดึงมาเรื่อยๆดึงมาเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์พยายามฝึกที่จะให้มาอยู่ณปัจจุบันณตรงนี้ที่เราทําอะไรอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยคิดว่าอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองก็เลยต้องฝึกสติให้มากนี้ขึ้นค่ะเพราะว่าพอเราไปตรงที่สมาธิแล้วเร า, เรายัางไม่ค่อยได้ก็เลยต้องมาฝึกตรงนี้ให้มากค่ะพระอาจารย์เพื่อที่จะไปสู่บันไดอีกขั้นหนึ่งค่ะอันนี้ถูกใช่ไหมครับพระอ า, าจารย์ใช่พยายามฝึกสติให้มากๆไว้ก่อน ค่ะแล้วก็มาจดจอกับสิ่งที่ตัวเองทําให้อยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันค่ะอาอจารย์อย่าไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตนะค่ะค่ะอาจารย์ก็เลยว่าอ๋อโอเคค่ะนุ้จะฝึกต่อไปครับอาจารย์จะค่อยๆฝึกต่อไปครับอาจารย์ก็ไมเรียนอะไรมากครับพระอาจารย์ก็มาแจ้พ่มอาจารย์แบบนี้แค่นี้ค่ะอาจารย์อาจารยพยายามทำต่อไปนะ กับทุกท่านอาจารย์ขอให้อาจารย์<น>แข็งแรงนะคะอาจารย์คุณมี่าตอบมีว่คุณมีาแปดอะไรเนี่ยเป็นเก้าแปดเป็น้าอะไรที่ไหนเป็นไหมเป็นไหมนมอยู่ท้ายหน้านอันโอเคพูดได้เลยยมนีม้ไหมคะอ่ะ อ๋อค่ะที่ไหนอาาหนูอยู่สุราษฎร์ค่ะโอเคชื่ออะไรนา ช, ชื่อรัชดาสีอินค่ะรัชดาโอเคมี อ, อะไรไหมค่ะช่วงนี้หนูปฏิบัติอยู่ค่ะแต่ว่าหนูมีทุกขเวทนาในภายในกายมากค่ะอาจารย์เพราะหนูมีป่วยหลายโรคค่ะอาจารย์ หนูก็ป่วยมาเริ่มมีทุกเวทนามาเสียอายปีละแหละป็นหนูอยู่กับเวทนาหนูก็ดูได้แค่ดูมันเฉยๆเท่านั้ น, นะครับพระอาจารย์ทําอะไรมันไม่ได้ดยุอยู่ก็มันไปพยายามรับมันอย่าไปอย่าไปรังเกียจมันถ้ารังเกียจแล้วใจเราจะทุกข์ถ้าเราไม่รังเกียจมันเราก็จะเฉยๆใจเรามันจะไม่เดือดรอน แต่ช่วงนี้หนูมันจิตมันส่งออกนอกเยอะอาจารย์หนูใช้สติเนต่อมาใช่พุทโธพุทโธนะครับเยอะเกินไปหนูก็อยากออกจากตรงนี้เหมือนกันหนูหนูก็เลยแปลว่าหนูว่างมากเกินไปอ่ะพระอาจารย์ก็เลยมันแปลว่าหนไไูนก็ไม่ได้ทําอะไรเลย่ะวันทั้งวันก็ว่างไม่ได้ผ่านก็ได้ไม่ทำไป่ว่างว่างก็ฝึกสตินั่งสมาธิไปเลยไปอยู่เฉยๆแต่ อ, อาจารย์ คนที่มีเวลาว่างที่ถือว่ามีบุญนะไหมมีเวลาปฏิบัติแบบนี้อครับพ่อจาย์หนูหนูอยากอย่าอาอกจากตรงนี้ที่สุดแล้วตอนนี้หนูตอนนี้หนูใช้วิธีอียที่ว่าพ่อจาย์แนะไนำให้ถือศีลศีแปดวันวันพักหนูก็หัดฝึกแล้วนะคะว่าจะจิตถือศีลแปดวันพัะค่ะอะลองถือไปดูมันจะช่วยกัน ม, มันจะช่วยกันปฏิบัติตได้ได้ดีขึ้น หนูมีอยู่ช่วงหนึ่งสองสามเดือนที่มันผ่านมาค่ะพระอาจารย์หนูหนูดรอปลงไปเยอะในการปฏิบัติหนูหนูมีความพอแทหนูหนูไม่ค่อยได้ทําสมาธิหนูก็เลยเดี๋ยวว่ามันมีพอเทอ่ะค่ะพระอาจารย์มันก็เลยเลิกเลิกไปเลยอะค่ะมันเบื่อนานไม่ควรเลิกวรเลกถ้าทอดท้ายก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวพอมันหายก็ค่อยกลับมาทําต่อค่ะช่วงนี้มันเริ่มเริ่มเริ่มมา ฮึดขึ้นมาอีกแล้วคะ่ะเริ่มเริ่มฮึดขึ้นมารู้สึกว่าจิตมันเริ่มฮึดขึ้นมาคะ่ะพระอาจารย์เนี่ยถ้าเวลาท้อแท้ก็ราพยายามฝืนใจท้อแท้ก็ทําต่อไป<า>เดี๋ยวมัเดี๋ยวเดี๋ยวท้อแท้มันก็หายไป ม, มันเป็นมันเป็นอารมณ์พันผักผักหมอ๋อโอ้มันมันหลายเดือนมากแล้วว่าจังหนูคอเทมสองสามเดือนแล้วหนูเบื่อหนายกับชีวิตเบื่อไปหมดไม่ปฏิบัติทุมันรู้สึกมันเป็นภาระอนาคตพระอาจารย์ ก็ทํางาได้ลนะ่ะมันเป็นหน้าที่ของเราต้องดูแลใจเราต้องปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ไม่มีใครช่วยเราได้ไต้องรับการเหตียดตนมนาะอย่างท้ออย่าท้อขอบสาธุขพระ้าจารย์หนูจะเอาช่วงนี้หนูก็เห็นพระ้าจารย์ไลอ่าทุกสดทุกวันหนูก็พยายามจะดูเพราะว่ามันจะได้เป็นพลังด้วยนะอ ฝังเทศความทำไปมันจะได้ได้พลังขังใจได้กำลังใจใช่ใช่หนูถ้าได้ดูหนูก็รู้สึกว่าหนูมีกำลังขึ้นนะคะพ่อจ้าดีพยายามทำาึงตามไปเรื่อยๆใช่โอเคนะอย่าอย่าอย่าถอยถอาได้จะอย่าถอยพักพักบ้างวันสองวันแล้วขับมาทำต่อค่ะตอนนี้หนูหนูหนูหนัน่งสมาธิหนูพยายามไม่ได้น0ยี่สิบนาทีค่ะนั่งถึง ยิ่ได้มากเท่าแล้วเราจะรู้สึกสบายกับเราว่าถ้าว่างทำได้เลยแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ อ, อ, อาจรย์ขยับไปทีละห้านาทีสิบ น, นาทีก็ได้ค่ะคุอาจารนี่ขอบคุณค่ะคุอาจารย์จ้าาาถ้ึไปที่คุจิบิปไม่นไม่ิไปไหนกาลังเดินไปไหนจากาการอาบการกับอาจารกลังเดินใหม่ต้องนึ่งยมจะปิดประตูาจากีการขอโทษ หล บ, หลบขอหลบความเงียบพอดีว่าอีกห้องที่ทํางานโดยปกติใกล้เจ้านายเกินไปค่ะ เ, เดี๋ยวกัเจ้านายดิเพราะ <c oughs> ว่ามันใช้าจานสบายดีนะเจ้าคะสบายดีค่ะค่ะก็วันนี้ก็คือไม่มีอะไรก็วันนี้ยมก็แบบเออมีเรื่องมามันก็ไม่ถึงกับเรื่องกระทบใจอะค่ะเหมือนกับคนที่ทํางานเขาเพิ่งจะถูกให้ไล่ให้ถูกให้ออกอะค่ะวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ว่า เขาให้อยู่อีกคราทีแต่ยอมแค่สงสารเขาอะเขาทำใช่แต่แบบเหมือนเขาทํามาห้าปีแล้วอะพระอาจารย์เขาเป็นคนจีนนะคะแล้วเขากำลังรอใบเขียวอ่ะพระอาจารย์แล้วอีกห้าเดือนเขาจะได้อยู่แล้วอ่ะค่ะแต่เขารอมาห้าปีที่ทํากับบริษัทนี้เงินเดือนก็ไม่ได้ขึ้นอย่ดีๆยอมว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดมากถึงกับต้องไล่ออกแต่เหมือนกับมันเป็นการเมืองในบริษัทอะไรเงี้ยค่ะอะไรซัอ่าก็เธอวเป็นกรรมของเขาแล้วกัน อ่ายมก็เลยแบบเออหนึงก็ก็เลยวางใจดีที่เราเข้ามาในทางศาสนาทางธรรมแล้วก็เลยแบบก็เสียใจยเหมือนกันที่ต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเขาแต่เราก็ขอให้เขาได้โอกาสที่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนี่นยก็ยจะได้งานที่ดีกว่านี้ก็ได้ก็จะได้ที่ดีกว่านี้กันด้ใช่ค่ะแต่แค่แค่รู้สึกว่าคือบางทีมีทหลกบริ ษ, ษัทยมมันเป็นบริษับัญชีแล้วมันมีคนพัดเนื่องห้าคนใช่ไหยคะ ล้พาร์นเมื่อคนที่เขาให้ออกอ่ะคะ่ะเขาก็บอกว่าบริษัทนี้ไม่ใช่แชริตี้นะโยมอกว่าก็จิตใจของคนแล้วแต่คนบางคนมาใจมุนบางคนมาใจไม่บุนนะครือโยมก็เลยแบบโอ้โหเขาทํางานอัศวินทิพยถวายตัวขนาดนี้แต่โยมโยมเห็นเขาพูดแบบนี้กับลูกน้องโยมแบบ อ, อืมมันไม่มีอะไรแ น, น่นอนจริงๆ<อ>แล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลอเผื่อเราโดนเชื่อคนต่ อ, อไปก็ได้โยมก็เลยแบบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขาขึ้น ก็กลงยมก็มีแบบจับจับอะไรเนะเขาเรื่องอะไรนะปรปปับได้โชคอะไรอย่างเงี้ยยมก็เลยแบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคะ่ะก็ยมก็เลยเห็นเขายมก็เลยอมองเราก็ต้องมองตัวเราเนาะถ้าเราทําดีที่สุดแล้วเขาให้เราออกก็โอเคก็ไม่เป็นไรเราอาจจะก็คิดแบบเหมือนที่เราคิดกับเขาเออีกเดี๋ยวเราก็อาจจะได้ที่ใหม่ที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไมแน่นอ น, นจริงจริงเจ้าคำมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยค่ะพระอาจารย์ยมก็เลยบอกเลยทำใจไว้ ใช่ข่ใช่ค่ะยมก็เลยแบบอืมดีที่เรามาทํามาก็ยมก็ต้องขอขอบพระคุณแพ้อาจารย์มากเลยนะคะพอดีมืออันหนึ่งโ ม, มือข้างหนึ่งถูถือโทรศัพท์เลยตึมมือเดียวขอบพระคุณไว oh, <yeah. S 2> ้าจารมากเลยนะคะเจ้าขาที่แบบว่าเป็นเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แบบนํานําลูกๆไปในทางที่ถูกที่ควรเสมอมากะค่ะขอเพิ่มขอบไอาจารย์สุขภาพแข็งแรง น, นะเจ้าขาขาดูดังคำร้องไส้คุกม yeah. do คำ ถ้าเรยไปที่คุณล่าต่อคุณลานคำถามไมีคำถามฝากถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามสองคำถามค่ะคำถามแรกดิฉันมีน้องชายเหลืออยู่คนเดียวดูแลตอนที่เขาเรียนเมืองนอกแต่เขามีภรรยาที่มีจิตใจค่อนข้างไม่ดีเอาแต่ได้ก้าวร้าวเดี๋ยวนี้น้องชายก็มีนิสัยเหมือนภรรยา ที่ฉันช่วยเหลือทุกอย่างแต่โดนจนระอาและจะตัดไม่คบไม่ยุ่งต่ออยากทราบว่าทําแบบนี้จะบาปไหมคะไม่บาปหรอกแต่มันก็จะขาดความเมตตาไปออถ้าเราตัดความจำเป็ก็แสดงว่าเราไม่มีความเมตตาต่อกันไม่มีไมจรีจิตแต่ถ้ามันจําเป็นต้องตัดก็ต้องตัด อเนนก็ไม่ไม่บาปแต่มันก็ไม่ได้มันก็มันก็ไม่ได้บุญยังไงไม่ไม่บาปแต่ม่มันก็ไม่ใช่ถ้ารักษาสัมพันธ์มตรีไว้ต่อไปได้ก็ไม่จะดีกว่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าภายหน้าค่ขหน้าอะไจะเกิดขึ้นแต่นี่ก็ไม่ได้บาปเพามว่าให้เราไปหวังอะไรจากเขานะแต่ว่ามันมีบิดหรือก็ไม่มีบิดยังไๆแต่ถ้าไม่ ถ้าไม่คิดว่าจะต้องพึ่งไครก็ไ ม, ไม่ไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรพึ่งตันเองได้ก็โอเคไม่เดืนอดร้อนคำถามที่สองค่ะคถามที่สองเป็นคำถามต่อเนื่องค่ะดิฉันอโหสิให้อโหสิกรรมให้เขาแต่ขออุเบกขาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ตัดเขาเพราะไม่อยากเสียความรู้สึกน้องคนนี้ทำท่าจะชกดิฉันบ่อย แถมไปงานศพผู้ใหญ่และคุณแม่เขาก็ไม่พอใจเพราะไปขัดใจเขาไล่เราลงจากรถเวลากโกรธเขาอันภานดิฉันควรจะวางใจอย่างไรคะก็าวางใจเฉยอุบเบกานะถอะก็อยู่ห่างๆก้วไปแต่ไม่ต้องมางประกาศว่าเลอกเลอกกันเป็นอะไรไม่ต้องไปประกาศเราก็ทาไป เนี่อาการกระทําของเราเป็นตัวประกาศขณะกันว่าเราไม่อยากจะยุ่งของเขาไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับเขาถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องเจอกันก็ไม่ต้องเจอกันแต่ถ้ายังมีเห็นมีความจําเป็นจะต้องเจอกันก็เจอกันไปทําหน้าที่ไปทําควาหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคทําถาหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรกัเวลานะขอให้ท่านถูกนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินพิจารณา ไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด